ป่วยครับตายตายเราเป็นด้วยกันทุกคนยังไม่คนที่จะเรื่องคนพิจารณาเรื่อยๆเราจะมีธรรมอษส์ไว้เวลารักษาจิตใจถ้าเราไม่พิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บทวางตายเรื่อมันเกิดขึ้นมา ใจก็จะป่วยป่วยกายแล้วไม่พอมันป่วยใจยด้วยแต่ถ้าเราที่ยังมาอยู่เรื่อยก็เหมือนจะมีธรรมะเอื้อมันจะรู่สึกเฉยๆไม่สึกธรรมดาเพราะเห็นใจก็ไม่ได้ป่วยไปกับมันเป็นที่ป่วยมันก็ต้องเป็นไปตามภาวะตามสภาพของเขาไม่มีใครมีเนะือสภาพนี้นะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนธรรมดา หรอพระพุทธเจา้าพระอาหารย์ตถาคตตูบานจาทั้งหลายที่เราข่าวว่าวิชฉาท่านก็ต้องกดอยู่นพระธาตเดียวกันเป็นแต่ต่างที่จิตใจของท่านมีเกาะคุ้มกันมีธรรมะองศ์ไว้รักษาใจทาให้ใจไม่ไม่เกิดความสะทกสะท้านเกิดความหวาดกลัวเพราะไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย แต่ถ้าไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆความหลงมันก็จะหลอกให้ใจไปหนุติดคิดว่าเป็นกายเวลากายเป็นอะไรใจก็เดดร้องไปเรยคิดว่าใจเป็นไปกับม่างกายแล้วก็พยายามที่จะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเมื่อเวลาร่างกายป่วย ธรรมนไม่สามารถพาไปหาความสุขได้ก็แั่ความทุกข์คืบตามขึ้นมาแต่กคนที่พิจารณาเรื่อยๆว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่ยึดไม่เจ็ไม่หวังพึ่ง อ, อาศัยร่างกายเป็นเครื่องือหาความสุขใหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ก็คือหาความสุขภายในใจ ความสุขในใจนี้มีอยู่มีอยู่รอเราอยู่แล้วเป็นเหนึ่งสมบัติที่ถูกเอวิชาเมหะความอยู่เหมืนกบไว้มันฝังแล้วหน้าที่ของเราจท่า้องพยายามขุดเอาอวิชาเอ า, าเมหะ่ความอยูอย่นี้ให้มันออกไปเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่แท้ทจริงก็เจอความสมุขใหญ่ เวลาคนที่ไปเจอํารมะอยู่เรื่อยเรื่องความแก่ความเจ็บคางตายจนจิตล็อมันได้ยอมรับตามความเปจิงได้ความสมุก็จะปรากฏขึ้นมาจะไม่เกิดความรู้สึกผิกนาระรอาจารย์หรือทอแท้หรือไ ม, ไม่ไม่มีกำนังจิตกำลังใจที่ดี เพราะว่าการพิจารณานี้มันเป็นเหมือนกับการทำสมาธิกันตัวเวลาที่จะทำธรรมะแล้วการที่จิตมันจะพุ้มซ่ามันก็จะสนุกในม้วนต้อนอาจจะลําบากหน่อยเพราะมีสิเลคอยต่อต้านอยูเวลาเราคิดถึงความแก่ความจุกความตายเราจะไม่เสร็จว่าเหมืนเต็มที่ไม่ปกใจเลยคิดถึงเวลาที่เราจะต้องเหีวหิวย่น เราต้องแก่ทำอะไรไม่ได้เก็บไขได้เองแล้วก็ต้องตายไปถ้ามีติเล่มีประทานความริม่นที่มั่นในการในสิ่งต่างๆอยู่ก็จะรู้สักว่าเป็นการสูญเสียก็มีอารมณ์ที่ไม่อยากที่จะคิดพยายามที่จะหยุดเลี่ยงเรื่องนั้นจะคิดแต่ว่า การคิดแบบนี้ที่แลาวทำให้เกิดอารมณ์นิรันขึ้นมาถ้าคิดแบบนี้แล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับเกิดโทษขึ้นมาวัตถุก็ยี่ถือความหลงความความไม่รู้ครอบงำจิตใจมากขึ้นไปเลยว่าเวลาที่ควนั้นควรจะรู้ความจริงของชีวิตราว่าสะมีอะไรพระพุทธเจ้าเป็นอิสตัดรูพระอริยสัจสี่คือความจริงของชีวิตตามเอง ถ้าเรารู้ความจริงทั้งสือประการนี้เรายู้จักวิธีปฏิบัติต่อความจริงเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถทักวันแม่ชาติก็เลยได้ไปถึงจุดเดียวมันกับที่พระพุทธเจ้าใช้ภาษาลัทธิหลานได้ไปถึงนั่นก็คือเรื่องการดับของทุกทุกมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจเราไม่หลงใจเราไม่ไม่ยอมรับความจริง ถ้าเราพัฒนาอยู่เรื่อยๆจนเห็นว่ามันไม่มีใครในโลกนี้ทั้งตัวเราด้วยทั้งผู้อื่นด้วยว่าจะต้องจบไปเลยสภาพนี้เหมือนกันมันเป็นสภาพธรราของร่างกายคืต้องปไปไป แ, แล้วจิตใจก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาก้าเชื่อเฉยๆกับความจริงอะไรก็จะไม่มีความหวาดกลัว มันมีความหรอตัวความทุกขหนึ่งก็ไม่พอเราที่กลัวกันนีก็กลัวความตายกันกลัวกลัวความเจ็บกันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่กลัวมันทุกอยาก่างแล้วสิ่งเหล่ น, นี้มันก็ไม่สามารถขึ้นจะมาทําให้ใจของเร า, าหวั่นไหวได้เมื่ใจไม่หวั่นไหวใจก็ตั้งอยู่ในความสงบเป็นสมาธิก็มีความแข็งกร้าวเกับก้อนหินก้อนใหญ่ ที่สามารถที่จแล้วกับพายุที่จะภาพมาโหมกันอย่างไม่ว่าจะมีกันอย่างแรงมากน้อยเกออิก็ไม่สามารถที่จะไปขยับหึนก้อนนั้นได้จิตใจที่มีความสงบมีความน่ด้วยปัญญาจะไม่หวัห่นไหวกับสภาพต่างๆก็ประเชิญกันไปเหมือนกับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด อะไรมันจะต้องดับม huh? ันก็ต้องดับอะไรมันไม่ดับมันก็ไม่ดับแต่เราไม่รู้ว่าอะไรดับอะไรไม่ดับกันเพราะใจเราหลงเราคิดว่าร่างการดับยาท้กอย่างดับหมดชีวิตเราดับหมดทุกสิ่งทุงอย่างในตัวเราหยับไปนมแต่มันมีตัวหนึ่งที Still, ่มันไม่ดับก็คือใจนี้ใจนี้มันไม่ดับมันไม่ดับร่างกายนี้มันจะดับมันดับไปแต่ใจมันก็ยังเป็นอาการวิโกอยู่ เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างไนมันเป็นภาสรู้มันเป็นผู้รู้เป็นแต่ว่า้าสไมู่้ไมู่้ไม่ไม่มีสัญญาไม่ไม่สามารถแยก้ยตนเองออกจากสิ่งที่ตนเองไปคุกเข้าด้วยไปคุกเข้ากับสิ่งที่มันมีเกิดมีดับก็เลยปิดใจกับมันที่ว่าตนเองก็เกิดดับไปกับมันด้วยีนเรา ถ้าได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรามีธรรมะมีอาวุธที่จะทำให้สามารถจะกับแย ก, แยกแยกใจของเราให้ออกจากสิ่งที่ใจจะคุกเข่าอยู่ด้วยนะครับเมื่อแยกออกมาได้แล้วใจก็ไม่ได้เป็นอะไรคือ จะร่างกายจะเป็นอย่างไรจะดีหรือจะชั่วยอย่างไรใจมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วตามร่างกายแต่ใจมักจะเป็นเหมือนกับคนดูฟุตบอลคนชอบเชียร์บางครั้งที่เราก็องไรู้จักคนเล่นในทั้งแต่แใจเราก็ไปกําหนดไว้แล้วลว่าจะเชียร์ฝ่ายถ้าฝ่ายนี้ชนะเราก็ดีออกมีใจตามไปกับเขาถ้าฝ่ายนี้แพ้เราก็เสียวเสียใจ ทั้งที่เราก็ไม่ได้อะไรจากการได้การแพร้ของของเขาเแต่ใจของเราเมลนเช่าแต่ยุ่งกับเรื่องต่างๆแล้วก็ไปผูกติดกับมันเวลานเรารู้จักใครเจอใครถ้าเราชอบเราก็หโหยเคลเขาล้อเขาอยากจะให้เขาได้ไ ด, ได้ดีได้ดีมีความสุขมีความเจริญถ้าเราไปเจอใครที่เราไม่ชอบเราก็อยากพิสูจแช่งให้เขาเป็นไป นี่คือเรื่องของใจมันมันหลงมันไม่เข้าใจว่าในโลกนี้มันมีทั้งความเจริญและความเสื่อมกับทุกสิ่งทุกอย่างในชื่อิ่งนี่งสิ่งใดเวลาสิ่งนั้นมันจะเสื่อมลงไปก็เสียใจไปไปรังเปียจสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เขากับมันผ่านเจริญเราก็เกิดความไม่สบายไม่สบายใจแต่เราเรียนไปว่า ความเจริญมันก็มีขอบเขตเมื่อมันเจริญหน้าสักวันมันก็ต้องเสื่อมลงไปนี่เป็นปัญหาของพวกเราคือเราไม่ค่อยพิจารณาความเสื่อมกันแต่เราจะมองไปที่ความเจริญกันเราได้อะไรเราก็อยากจะให้มันเจริญเปิดร้านเปิดบริษัททำงานทำการก็อยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเสื่อมบ้างบริษัทมันจะใหญ่โตขนาดไหนแค่วันหนึ่งมันก็ต้องติดตัวลงไป ทำงานทำการจะทำงานสูงขนาะไหนจากวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องหมดไปเพราะว่ากีเลยมันพยายามที่จะขีดกันไม่ให้เราทิดถึงความเสื่อมนอ่โอเมื่อเราไม่มีหรือเมื่อเราไม่ได้พิจรารณาธรรมะก็เหมือนกับว่าเราไม่มีไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้กับเวลาที่ความเสืยอมมันปรากฏขึ้นมาก็เลยถูกความเสืยอนี้ลม ทำร้ายจิตใจทำร้ายจิตใจมีความเศร้าโศกมีความกังวลมีความเหนื่อยเมื่อร้อนใจยาความเสื่อมันเคลนขั้นทข้ามาแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของคนเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งสูงมีทั้งต่ำถ้าเราเตรียมตัวรับกับสภาพที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือสภาพที่มันต่ำ สภาพที่มันหลงเลยให้ได้เป็นเหมือนกับเราเปลี่ยนตัวไว้รับสงครายทหารเขาต้องต้องฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะเขาคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีสมคายเกิดขึ้นถ้าทําไม่เปรี่ยนตัวไว้เวลาเกิดสงครามขึ้นมาก็จะต้องถือกระตัวข้าศึกทำลายชื่อมัยไม่ได้าจของเราก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเราไม่มองสภาพ ของความเสี่ยงกันพอเกิดพบ ก, กับความเสี่ยงขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะทําใจอย่างไรเพราใจแมันมีความอยากอุ่นเล่าอยู่ตลอดเลาความอยากนี้เมื่อไม่สามารถ ท, ำทํำตามได้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราติดใจอริยสัจข้าแรกคือ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีการท้าทาจากการเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วต่อไปใจของเราก็จะ ไ, ได้เตรียมตัวเตรียนใจรับกับภาพของมันแต่ถ้เราเตรียนตัวแล้วมั น, ม, นมันไม่ทําให้จิตใจเรามีความหวั่นไหวไม่มีความนึกเกิดหวาดกลัวแต่อย่างใด ถ้าเราก็จะดำเนินชีวิตจะ ไ, ได้อย่างสบายสบายใจไม่ต้องมายึด ม, มาติดกับอะไรเพราะรู้ว่าสิ่ ง, งต่างๆที่เราไปยึดไปติดนี้จะต้องจากเราไปหรือว่าจต้องจากเลยไปการที่เราไปยึดไปติดมันนี้นมันเป็นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจเราลองสังเกต ด, ดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรืม่มีคนหนึ่งคนได ที่เราไม่มีความผูกพันด้วยไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยไม่มีความยึดติดด้วยสิ่งนั้นและบุคคลนั้นจะเป็นอะไรอย่างไรก็ไม่ได้กระทบกับทิดกันเลยแต่ถ้าเรามีความผูกพันมีความยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มึดอยู่คลนั้นคนนี้พอมีอะไรมากระทบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องบุคคนนั้นคนนี้ที่จะเป็นเหตุทําให้เขายึดสิ่งนั้นต้องเป็นมีอะไรเป็นไป เราก็เก so, yeah. yep. okay. yes. okay. yes. mm ิดความยึดมั่นใจยิ่งถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถึงนั้นเรบุคคลนั้นเกิดมีการดับไปสลายไปอยากเราไปแล้วก็มั่นสบายใจมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจคนที่ไม่มีธรรมะอยู่แล้เนี้ยบางคนอยู่ไม่ได้ ถ้าสูญเสียสิ่งที่เคยรักเป็นคู่คอรองที่เคยอยู่ด้วยกันมาเป็นเหมือนกับเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตนเมื่อส่วนนั้นมันมุดหมดไปก็ทําให้เหมือนกับว่าชีวิตนั้นหมดไปด้วยเคยสังเกตเห็นอยู่เรืคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานพอคนใดคนหนมีอาการเสีย เสียละเสื่ไปเสียไปอีกคนหนึ่งก็ก็เหมือนกับว่าจะจะเสียตามไปเรื่อยแล้วก็ไม่นานก็เสียตามไปจริงๆเพราะความสุขนั้นจิตใจเลยไปยึดไปติดกับสิ่งสิ่งนั้นเมื่อดูคนนั้นเมื่อไม่มีสิ่งนั้นไม่มีคนนั้นก็เหมือนกับว่าชีวิตมันเกี่ยวขี้ไปแล้วเราเคยกินอาหารแล้วเราเคยเติมเครื่องปรงต่างๆ พอไหนกินแล้นไม่มีขั้ตรงนี้มันไม่อยากจะกินเพราะเราเป็นติดกับรสชาติอย่างคนที่เป็นเบาหวานนี้ก็รู้อยู่ว่าเป็นเพราะกินของหวานแกก็อดไมได้ในทางมันวนๆงราเป็นเบาหวานก็อยากไปกินมันเป็นความหวา น, อ, า น, อ, วานอดไม่ได้มันมันมันเลยผูกพันธุ์แล้วมันเป็นความเคยชิน จิตในะวลามันเคยทําอะไรแล้วมันจะจิตทิสใสเคยเคยทำอะไรแล้วมันก็จะทําอย่างนั้นใส่ถ้าไม่เคยทํามันก็ไม่ทําคนที่เคยกินกาแฟแตเช้าเสร็จขึ้นมาก็ต้องหันกาแฟกินทต่เช้าแช้าวันที่เขาไม่กินกาแฟเขาก็ไม่เห็นหร้อนมื่นขึ้นมาเขาไม่จำกาแฟเขาไม่เห็นเป็นอะไรพฉะนั้นถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์จ แล้วก็อยากมีความศึกษาอยากมีความศึกษาทุกอย่งก็ต้องตับความพยายามตับความฝึกความับทุกสิ่งทุกอย่างยู่เสียงเปี่ยนรถหลวงทัพะนิยมต่างๆเสียงเปลี่ยนรถในทัพะต่างๆ่างเป็นสิ่งที่พวกเรามีความฝูกพันอยู่ตลอดเวลาถ้าจะอยู่ห่างไกลมันก็ได้เลยยิ่งเข้าวัดกันก็ได้ไปอยู่จำสีตามวักฟ้ามักขา ที่กายจากรูปเสียงเกิดลูกโภะภาพรัมันก็ไปตกนรกแต่ไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าขาดลมหายใจขาดอาหารใจต้องมีลูกเสียงเกิลูกโภะภาที่เราเคยสัมผัสอยู่เป็นประจำมาคอยหล่อเลี้ยงอีกกู่ตลอดเวลาเื่าเป็นเช่นนั้นเราก็เลยถ่ายเป็นท่าเราก็มีความสุขเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆจากการที่ได้เสพได้สัมผัส กับยึ่กินลดทบทะพระนั่นเองแต่อันนี้ขณะเดียวกันเราก็กลายเป็นเป็นทาสเหมือนคนที่ติดยาเสพติดถ้าไม่มีไม่มีสิ่งนั้นนี้ให้ติด ก, ก็ไม่มีความสุขจังแล้วที่ใจโดยธรรมาชาติสองมันแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมันก็มีความสุขยากเพียงแต่ว่าจะต้องตัดความผูกพันความยึดติดอยู่กับสิ่งต่างสทั้งนั้น ดังนั้นถ้าจะพูดว่าเป้าหลายหรือชีวิตของเราเนี่นมีหน้าที่ทำอะไรก็เือมาปลดปื่อยความสุขพันธ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันออกไปจากติดจากัางเกณน์นิสัยใหม่เคยติดเคยชอบเคยเลื่นเคยสัมผัสอะไรก็คนที่จะตัดมันไปเสีย อ, อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอย่างพระทั้งหลายที่ตั้งบําเพลิง ท่านก็มีสิ่งที่จําเป็นในต่อการดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายนี้เท่านั้นสิ่งที่เป็นส่วนเกินสิ่งที่ไม่ไม่มีความจําเป็นท่านก็ตัดมันไปพระที่ท่านมีวนความเคร่งครัดในการปฏิบัติท่านก็จะฉันนื้เดียวหลังจากฉันแล้ววันนั้นท่านก็ไม่ฉันน้ำนอกจากน้ําตล่าไม่มีของหวานของอะไรมามากิน เพรกินเพื่ อ, อยู่จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยู่เพื่อจริงให้ร่างกายมันมีอาหารหล่อเลี้ยงให้มันอยู่ได้ใหม่เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาทำหน้าที่การธรรมะมาพิจารณาธรรมะมาทําจิตใจให้สงบเพื่อที่จะได้มีอาวุธมีเครื่องมือที่จะไปตัดดีเลยุทธทางความยึดนั่นที่มั่นต่างๆถ้ามัน หมดสิ้นไปจากจิตจากด้เมื่อไม่มีการติดอยู่กับอะไรแล้วสิ่งนั้นสิ่งที่เคยติดอยู่ก็หมดความหวานไปเ้าติดบุหรึ่แล้วนะเลิกบุหร่ได้บุหรี่ก็ไม่มีความหวานไปือว่าก็เช่นเดียวกันนี้กาแฟยืมของรับประทานต่างๆที่มันไม่จากองถ้าจะรับประทานอะไรก็รับประทานเป็นอาหารเรับประทานครั้งเดียวรวมกันไปกับอาหารไปเลย เรผ่านไปแล้วก็จบอย่างนี้ก็เป็นการควบคุมไม่ให้จิตใจของเราจะยึดไปติดคับกลุ่มที่มันไม่จําเป็นบุคคกรต่างๆก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจะต้องไปยึดจะติดเราอยู่คนเดียวได้เนี่ยมันเดียวกับอยู่สองคนอยู่คนเดียวนมันไม่มีปัญหาอยู่สองคนแล้วปัญหาเกิดต้องมีการทะเลาะกัน มีการขัดใจกันแล้วก็มีการมีความห่วงายกันทะเลาะกันก็ก็ห่วงายกันถ้าทะเลาะกันก็เบือกันก็มีแต่ปัญหาทั้งสองด้านแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับอครแต่อยู่ไม่ได้ก็ใจมันไปมีความยึดติดความต้องการในสิ่งต่ตงางๆนั่นเอง เราเปต้างยายามต่อสู้ด้วยการปฏิบัติธรรมสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจโดยอปายามคุณเอากิ่เลกลืกความโลภความโกรธความหลงคววิชาปัญหาต่างๆที่มันครอบงำความสุขอันนี้ที่มีใน ใ, นใจกรบมันไว้ไม่ทำให้มันปรากฏขึ้นมาเราจึงไม่ค่อยเจอความสุขที่แท้จริงนั่นท่าไ ส่วใหญ่ความสุขที่เราเจอมันจะเป็นแบบสุดๆเๆๆๆดิกๆถูกหน้าเดี๋ยวก็ทึกไปเที่ยวไปกินไปไปดูไปฟังอะไรมาก็มีความสุขพอกลับมาบ้านแล้วก็ก็เหมือนแต่ว่ามันไม่มีปัญฐานแต่ละมันขึ้นๆ <L> มันต่อไป <L> ก็เกิดความผิดเกิดความอยากความต้องการแต่ถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากทางสงุเนี้มันจะไม่มีความผิดแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ ย่อมมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆภายนอกสิ่งต่างๆภายนอกเราพึ่งพาอาศัยมากน้อยเป็นไรเราก็ต้องคอยเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยว่ามันไม่เทียเท่ยงมันมันไม่ถาวร น, นั่นเองมีชื่ออะไรมาแล้วก็ใช้มันไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็พังเราก็ต้องไปหาใหม่ซื้อใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย แล้วม nh nh nh ันก็เคยเป็นอย่างนี้มานาแล้วตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดนี้เราก็เคยทําอย่างนี้มาก่อนอยู่ในสภาพใดมันก็เป็นแบบเดียวกันเพราะใจนั้นตัวเดียวกันยิ่งตั้หาความอยากอุปทานความมิดงั่นเพลิน่นนั่นก็ตัวเดียวกันมันก็อยู่ในใจของเราเราไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็มีสิ่งที่เหมือนกันมีจิตเหลวเหมือนกันมีความ ปลูกพันธุ์เหมืนกันใั้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องมีพันธุ์เด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญกล้าทุบตัดความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่น้องบักบันต่อสู้สร้างความสุขใหม่ขึ้นมาที่มันยากก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือก็เราไม่เคย เราไม่ชินานเราไม่เคยทำเวลาที่เราจะต้องทำอะไรที่เราไม่เคยทำนี้มันก็รู้สึกเจ๊๊กกำกำไม่ถนัดแต่พอเราฝึกทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะถนัดแล้วเราก็มันก็จะเป็นของน่าเหมือนกับเราเคยถนัดขวาแล้วเราก็ไปใช้หนึ่งซ้ายมันจะรู้สึกวนว่าไม่ค่อยถนัดทำเวลาก็รู้สึกว่ามันเหมัน มันตึกป็นขับมันอะไรไม่เจ้าแต่ถ้าเราจําเป็นสมมตว่าถ้ามีขวานั้วมันเกิดเสียไปใช้ไม่ได้เหรือแต่มือซ้ายเราก็ต้องหาใช้มือซ้ายมันก็พอใช้ก็ได้ต่อไปมันก็ถนับขึ้นมาไม่อย่งั้นคนที่จะถนัดมือซ้ายถำไมเขาถึงใช้มืซ้ายด้สบาวกาเพราะว่าเขามีความถนัดนั่นเองการหาความสืภายในจิตใจ การทํราติดใจเป็นกว้างเั็นใหญ่เยอะครับคือเราถนัดสร้างความผู้สร้างสร้างความมึนวายอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจะมีแต่ความพผ่งสร้างมีแต่ความมึวายอยู่ด้วยแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังทํำอยู่เราเป็นผู้สร้างหรือเปล่าเราก็ตั้งแต่เป็มไปมาเราไม่เคยหยุดหน้างคิดเลว่าเจของเราเป็นยังไงบนะ้างใจมึนวา น, นี้ถ่ามอะไรมามาก ไ ด, ได้ความสุขบ้ากได้ความทุกข์บากเาะฉะนั้นเราไม่เคยคิดแต่วันนี้จะไปทำอะไรให้มันทุกข์ขึ้นให้มันวุ่นวายขึ้นมาไม่เลยก็ไม่เคยคิดเหมืมีแต่ป่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมันชุดราดเราไปถ้ามันมีเหตุการณ์ก็ความอยากต่างๆมันพาไปด่านไปนี่สองอย่างที่คอยทาให้ใจเราเป็นซิ่งไปเหมือนกับ น, นักขึ้นบอลเหมือนกับลูกขึ้นบอลก็คือ น, นักแตกขึ้นบอลสองฝ่าย มีสองทีมแต่มีมอนรุ่งเดียวทีมหนึ่งก็คอยเตะไปทางอีกทีมก็คอยเตะมาทางเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเรามันก็คอยคยเตะใจของเราให้ต้องไปทํำนู่นทํานี่ต้องเลี้ยงปาเลี้ยงท้องต้องทำมาหากินต้องดูแลคนนั้นดูแลคนนี้เหตุการณ์พาไปอีกเหตุการณ์อีกอย่างก็เกิดความหลางต่างเพราะไม่มีเหตุการณ์ก็ชีวิตเก็อยู่ไม่ได้ก็หาเรื่องทํา อยากจะไปดูหนังอยากจะไปเที่ยวใช้นุ่มมาเมื่อมันก็พักไปใจมันก็ไม่มีเวลาขึ้นจะหยุดเม่ออนี้เหมือนกับยิ้มบ น, นออบอรนมันไม่เคยเงี่ยถูกไฟมันแตกแล้วก็ถูกยฟมันแตกแตกไปแตกมาอยู่เรื่อยเพราะว่าเราไม่ไม่กําหนดชะตาชีวิตของเราเราไม่กํหาหนดเป้าหมายชีวิตของเราว่าเราจะไปทำอะไรางนะี้เราก็าองปล่อยให้มันไปอนยะ่างนี้ย แล้วก็มีแต่หวังว่าเออมันจะดีขึ้นมันจะเจริญขึ้นแต่มันจะมีขึ้นขนาดไหนเจริญขึ้นขนาดไหนในที่สุด ม, มันก็ต้องบลงเพราะนี้คือคือเรื่องขอ ง, ของสิ่งที่เราเป็นไปหวังมันเป็นงานที่จะมีเกิดมีดับมีเจริญแล้วก็มีเสียนว่าจะเป็นลาบทั้งเซนแะเซรสุดเลยจะ้ันตาง ได้มาบ้างน้อยเองไรสักวันนี้มันก็ต้องมนก็ต้องสูกไปจากเราไปหรือเราจะไปนะถ้าเราไม่ได้เจอศาสนาไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะเราจะไม่มีโอกาสเลยการที้เราเป็นดวงว่าศสนาที่ได้มาเจอศาสนาแล้วก็มีบุญเก่าวคอยทำให้มาทางนี้กัน แมาจะไม่ถนัดน่าจะลาบากตามความรู้สึกของจิตใจแต่อย่างน้อยก็เรียกว่านี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำํำและควรที่จะทําให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปฏิบัติการทําุญทางการรักษาสิงนี้ลคดีแต่มันไม่พอที่จะที่จะให้เรามีศรัทาที่แก่กล้าที่จะทําให้เรามีกําลังที่จะกล้ากลับ ค่าสละสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ความสุขต่างๆที่เรามีอยู่เพื่อแลกกับความสุขที่ดีกว่านี้ว่าเราไม่เคยเห็นความสุขที่ดีกว่านี้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราได้จุดทําสมาธิจนจิตโยมลงแม้จะสงบเพียงเชื่อว่าขณะเย็ก็ตามเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ความสุขที่จะได้จากการปฏิบัตินี้มันบเทียบไม่ได้กับความสุขที่เราเคยมีอยู่และเราจะ มีกมลันจิตกำาังใ จ, จะมีความกล้าหาญที่จะก้าสับคนต่างๆที่เราเอาศัยให้ความจุดกับเราเพราะเรารู้แล้วว่ามันเกิดเรียกับสิ่งที่เราจะด้านมาไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติชนได้เห็นผลแล้วน่าะเชื่อตัณหาเรียนกันนั้นมันจะจุดประกายความศรัทธาประกายความเชื่อให ถ้ามีความแก่กล้าทึ่จะสามารถทำในสิง่งที่เราไม่เคยคิดว่าเรากล้าทำประกอบกล้าตัดกล้าละกล้าอยู่แบบขาวตากล้าอยู่แบบแบบไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ทีนี้มันจะไม่เป็นปัญหารอรต่อไนตอนนี้ก็เรายังไม่ได้เจอสิ่ง น, นั้นเราอย่าง เรายังติดอยู่กับความสุขนั้นๆนั่กับการกินการอยู่ในเวลาที่เราจะต้องไปอยู่วัดอยู่ใแดบบ เ, เรียบง่ายๆกิน ต, ตามมือามเกิดมันจึงไม่ค่อยมีอยู่ในใจไม่ค่อยมีอะไรเป็นเครื่องดูดเราไปเพราะเรายังขาดความสนุกที่ที่จะเกิดขึ้นในใจนี้ยังไม่เคยสัมผัสมาก่นอนดังนั้นก็อยากจะให้พุ่งไปที่อย่างนี้พยายามทำให้ได้ พยายามนั่งนั่งทำสมาธิให้ง่ายเวลามีเวลาว่างก็พยายามนั่นพยายามทำเวลาทําอะไรก็ให้ฝึกสติให้สติมีเรื่เนียะให้จิตพยายามเน้นจิตไว้อย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆที่มันไม่มันไม่จํำเป็นขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ก็คิดอยู่กับเรื่องที่เราทำก็พอให้รู้อยู่กับเรื่องที่เราทํา ส่วนไอ้เรื่องอื่นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเมื่อวานหรือเมื่อกี้มีเรื่องที่มันจะตามมาต่อไปข้างหน้ามันก็ไม่ถึงเวลาก็อย่าไปคิดเลยถ้าอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่อย่างนี้นะเราจะมีเครื่องมือคอยดึงจิตไว้ถ้ามีสติแล้วทํำสมาธิมันก็จะสมุูรณ์มากถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนกับจะบังคับให้ลิงมันนั่งถุเฉบบังคับมันยังไงพูดยังไงหวงมันยังไงมันก็ไม่ฟัง แต่ถ้าเอาเชือกมาผูกมันไล่กับเสาแล้วมันมันฟังด้วยฟังมันก็ไปหนไม่ได้นอกจากเชือกมันเชื่อมมันเล็กแล้วแรงของดึงมันมีมากกว่าแล้วก็ครับให้เชือกมันขานได้เชือกนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับสติที่จะคอยดึงจิตหรอจิตเราก็เป็นเหมือนดึงโดยในเวลาเราเสร็จในหายนี้เชือกมันเป็นเชื่อมเล็กๆเป็นเชือกปุ้ยพอพอพจิตมันกระตกฟั่งเลยมันก็ขาด ให้อยู่กับพุทโธพุทโธได้คราบเดียวเดี๋ยวนั้นรักไปคิดเรื่องนั้นคิดเั่งนี้ละแสดงว่าสติขามไปแล้เชื่อขาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็เด่นมันกลับมาใหม่พอเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับพุทโธแล้วนะเราอยู่กับเรื่องนั้นก็กลับมาหาพุทโธใหม่ถ้าเราไม่ไม่ชินกับพุทโธในวันอาจจะรู้สึกว่ามันมันเหื่อต้องบริการมแต่คาเดียวถ้าชอบเกิดมนก็เกดมนไปก่อนก็ได้ ใ ห, ให้มีสติอยู่กับบทสวดมนต์แต่ไม่ต้องสวดแบบออกเสียงไม่ต้องนั่งพนมมือไม่ต้องนั่งท่าเที่ยงนั่งเหมือนกับเรานั่งสมาธิเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้พุโทโธแล้วก็ ใ, ใช้บทสวดมนต์สวดไปทางใจก่อนสวดไปเรื่อยจะรู้สึก ว, ว่ามันอยากจะ ห, หยุดก็ลองาเอาคำว่าพุทโธคําเดียวไปก่อนหรถ้าไม่อยากจะสวดก็ดูลมหายใจต่อๆก็ไั้ บางทีเสวเสียวายแล้ัอนอาจวุ้บนิ่งไปงก็ น, น่ามันก็มีถ้าคุณันเป็นที่ื่องหนึ่งอยู่กับการฝึกอย่างเดียวงน้นข้คัญที่สุดก็คือหนึ่เราต้องพยายามตั้งสติอยู่ถ้าเราจมวจรอมันตั้งสติตามที่เรานั่งนี่มันไม่พอเพราว่าเราต้องพยายามฝตลอดเวลา ถ้า แ, แต่เราตื่นมาเลยแล้วกระทังเรานอนหลับพยานข้างยู่สติเต้าดูร่างกายของเราเหมือนจะว่าสติเป็นเหมือนกับปัญญาร่างกายี้เป็นนักโทษที่มียามจะต้องคอยเต้าดูแลไม่ให้ลาสายการไปให้ให้จิต ใ, ให้ส ต, สติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นอย่ได้แลาวจะมีมีสติ ทีม่มีกำังที่จะต่อสู้กับความเครีได้เมื่อาดั้งมันถ้าอยู่กับปุทโธอยู่กับลงอาจใจเนี่ยก็จะดแคบเอง้าดั้งมันจะยากมันก็จะรู้ทันแล้วก็เรงมันกลับมาได้เร็วแล้วต่อไปมันก็จะอยู่อย่างต่อเ น, นื่องต่อเนื่องแล้วมันก็จะสงบลงไปสงบลงไปถ้าตามใจจิตไม่มีความคิดโตงแต่เลือคิดน้อยลงไปมันก็จะสงบมากขึ้น มันไม่สงบเราะเพราะว่าจ like, so so so so right. so so ิตม so ันไม่หยุดคิดนั่นเองมันคิดเรื่องนี้คิดเรื่องมี้ไปเน่ยแต่ถ้าคิดคิดเพราะคิดคิดแบบว่าสวดมนอุ่นนี้เป็นไงํารสวดมนุษย์พุทโธนี้มันเป็นความคิดที่จะทําให้จิตสงบความคิดนี้มันมีสองรักกันคิดแล้วให้เกิดความสุ้สซ่ารักคิดให้เกิดความสงบคิดพุทโธนี้คิดบทสวดมนุ์นี้หรือว่ามันจะคิด คามแก่คามเจ็บคามตายอย่างอัปเกลท่องอยู่ในใจนะครับแล้ว่าต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาท่องมันไปเรื่อยๆเราก็ตายคนนึงก็ตายคนนึงก็แก่คนน้นก็เจ็บคนนี้ก็เก็บคนนั้ก็ตายพิจารณาไปตรงไหนก็จะเห็นว่ามันมีอนตรงนั้นดีู่อยู่กับทุกๆคนถ้าพิจารณาแบบนี้คิดแบบนี้เรียกว่าเป็นมรรคมันก็จะทําต่อให้จุเส็บได้ คำที่หลวงตาท่านท่านเฉียงหลวงเสือว่าปัญญาอบรมสมาธิก็คิดในทางลจรักนั่เองคิดให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังรักตามันก็จะทําให้จิตสงบได้เอาปัญญาความคิดทางด้านอัญญานี้มาทําจิตให้สงบถ้าเราใน่ถนดกับการบริกรรมพุทโธหรือไม่ถนัดกับการสวดมนต์หรือดูลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาดูเรื่องของความ ไม่เที่ยแท้แน่ น, นแล้ ว, ลวจิตหนึ่งก็จะ่ายความกังวลทายความหงอยเมืาอเมื่อมันไม่มีความกังวลความหงอยามันก็จะสงบตัวลงเองนีก็เป็นวิธีของการทำจิตใจให้สงบต้องมีสติเป็นพา้นฐานคอยคอยกกับจิตแล้วก็ให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถาจะคิดก็คิดในทางธรรมะเป็นองธนรมะคิดในทางไตรักอนิจจังทุกข์อนัตต า, แ ล, ะละ า, าแล้วรับร่างได้ว่าไม่ใช่เหลยมันจะต้องสงบลงเมื่อสงบแล้วก็แก้ไม่กำลังจิตกำลังใจเพราะภารสงบนี้มันมันเป็นความมหาปานใจมันเหมือนกับว่าเคยแบบของหนักๆไว้บนบนไหลแล้วเอามันลองวางลงไป ได้พักได้กินน้ำเราจะมีความรู้สึเบาอดมาใจชื่นอกชื่ใจถ้าวันนี้เราอนักหนักใจอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนนั้นก็เหลืไม่ไม่มีเรื่องเราก็ไปหาเรื่องมาได้เพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องพยายามหาเรื่องมาอยู่เรื่อยจิตนี้ถ้ามันไม่ได้คิดเราคงรู้สึกว่ามันมันมันขาดอะไรไปมันหยุดไม่เป็น มาถึงต้องมาฝึกทำจิตใจให้สงบให้นั่นมั่มนแล้วต่อไปเราจะรู้แล้วว่าความสุขอยู่ทไหนเราจะเข้าใจทำมาที่พระพุทธ อ, องคาทรงตรัสว่าสุขใ ด, ดสุขอืนใดที่เหนือจากความสงบไม่มีความสุขแท้ๆจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นความสุขที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเรา เพราะหาเงินมาก็เท่ากับหาความทุกข์มาด้วยกันเพราะมันเป็นเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็เป็นความสุขอีกด้านหนึ่งก็เป็นความทุกข์เพราะด้านหนึ่งมันเป็นความเจริญอีกด้านหนึ่งก็เป็นความเสือ่อมมันมาคู่กันเพราะฉะนั้นนอกจากการทาบุนให้ทางการรักษาสุน้ขก็ควรที่จะฝึกทำสมาธิ พยายากตั้งสติอีกเรื่อยๆมีโอกาสก็ไปอยู่วัดปฏิบัติวัดที่เป็นมีความสงบเงียบแล้วก็หาดูตามลำพังเพราะการฝึก ส, สตินี้ถ้าอยู่กับหลายหลาคนแล้วมันทำไม่ได้เพราะจิตมันจะต้องไปไปไปสื่อคนนั้นสื่อคนนีน้สื่อเรื่องนี้นสื่เรื่องนี้แต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วมันมันไม่มีที่ไป มันไม่มีอะไรดึงไปมีงจิตไปนอกจากความคิดเองในใจบางทีไปอยู่ในต่าในเขาแล้วก็ยังอดที่คิดถึงบ้านนม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงษาหนูคิดถึงอะไรอย่างไม่ได้ก็ใจนั้นมันก็เราพอที่จะดึงมันไว้ได้ต่อชีวิตได้แต่ถ้ามีคนอยู่ร่วมกันเดี๋ยวเขากระนุเราคุยเดี๋ยวเขาทำสิ่งนั้นทางเสงนี้มันก็เลยความสนใจของเราไปสือที่ตัวเขาเราก็เพลอสติไป ตั้งตั้งพยายามหาที่สงบสงัดดิเวยอยู่คนเดียวหาเวลาหาสถานที่นัดปรึกษามาไปเมื่อเราได้ไปทำแล้วเริ่มมีนิสัยมาทางนี้แล้วต่อไปเวลาเราอยู่กับใครเราก็สามารถที่จะเล็งใจเรา ไ, ได้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลอยตางเข้าไปตลอดเวลาแต่ก็ลอยไปแค่เพื่อขณะหนึ่ง ถ้ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิเป็้นจะต้องรู้แล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ตัวเราได้แต่ในเรื่องตอนนี้พอเป็นรับเรื่องเรื่องอะไรนะมันมันจะไปเมื่อยไปเป็นลูกโซ่ไปเลยเห็นคนนั้นก็คิดถึงเรื่องเขาเรื่องเขาปัญหาของเขาสามีของเขาภรรยาของเขาลูกของเขามันมีลูกเป็น<ม>เรื่องเดินไปเป็นลูกโซ่ไปเลยแต่ถ้าเราได้เกิด ทำตัวทำสติเป็นแล้วเไปลราเห็นใครแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแล้วก็จบแล้วก็แล้วก็หยุดแล้วก็เดินกลับมาที่ตัวเราเนอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีธุระที่ต้องคิดเรื่อพูดคุยอะไรกันจะทํำไปแต่เมื่อเสร็จแล้วก็ก็เหมือนกับปิดสวิตตเปิดไปเข้าห้องน้ำก็เปิดไฟพอเสร็จธุระแลออกห้องน้ำก็หลับไปไม่ไฟไฟจุดหนึ่ง จิตของเราก็อย่างนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันจะไหลไปกับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ฝึกตั้งสติอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่ตามมันไม่ไหลไปตามกระแสของเรื่องราวต่างๆที่มากระทบมาสัมผัสกับใจแล้วใจมันก็จะไม่ขวงหมาว่าใจมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเวลาจะทําให้มันสงบมันก็จะน่า พอเราได้ทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆเราก็มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราทําอยู่ <c oughs> อย่างนั้นก็ถือว่าเรากําลังทําสมาธิแบบหนุมหลวงแล้วการไว้เป็นเป็นเหมือนกลับเป็นวองรองพืง้นไปแล้วตอเมื่อเรามีเวล า, ม, วล า, ม, วลามีโอกาสที่จะอยู่ตะลังพงของเราเรามากำลัดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันก็จะไม่ไปอยไห น, นมันก็จะอยู่กับอารมณ์นั้น แล้วมันทีไม่งานมันก็สนบมันสงบมากสงบ้อยก็ขึ้นอยู่กับอยู่กับความสามารถอยู่กับขั้นการปฏิบัติของเราถ้ารัปฏิบัติมากปฏิบัติอย่างช่างชองมันก็จะสนบมากสงบงานก็เหมือนกับการรับประทานอาหารถ้ารับประทานน้อยมันก็อิ่มน้อยถ้ามันรับประทานมากมันก็อิ่มมาก ถ้าเราปฏิบัติมากว่าเราปฏิบัติถูกเคื่องมือติอยู่ตลอดเวลาอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้มันอยู่มันก็จะสงบและสบงบนานดังนั้นนี่คือตัวสำคัญที่จะเป็นตัวจุดประกายกำลังแห่งศรัทธาจุดประกายแห่งความเพียรให้เกิดขึ้นเพราะเราเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติ ด้วยความมันบอกอยากเลยนี่มันคุ้มค่าเหมือนกับคนที่เขซื้อตรตจัลลี่เนีขาไม่เคยถูกเลยแต่เขาก็ยังรู้ว่าถ้าเกิดเขาถูกสักครั้งนึงี่มันคุ้มค่าเขาซื้อปีละร้อยสอร้อยแต่ถ้าเกิดเขาถูอปีก็ได้เป็นล้านเขาก็มีกมําลังใจที่จะซื้อมันอยู่เรื่อยบางทีบางคนซื้อมานตั้งยี่สิบปีสาสิบปีก็ยังไม่เคยถืกก็ยังไม่เคยขายเพราะยังมีความหวังอยู่ แังนนการบาเพ็ญจะมาถึงระดับนี้การทำจิตใจให้สงบ ม, มันมีคุณค่ามากมเพียแต่ว่าเราไม่เห็นมันเองมันเลยทำให้เราไม่มีกาลังจิตกาลังใจแต่ถ้าเราได้ทำแล้วได้เห็นผลแน้แต่ข้ามเดือนหรืต่อไปไม่ต้องมีใครมาชวนไม่ต้องมีใครมาบังคับมันจะเรียกร้องของมันเองภายในใจมันอยากจะทำมันมีฉันทมีวิรยะตาม เรานั้นเราต้องพยายามทำให้ได้เมื่อทำได้แล้วต่อไปสบายการปฏิบัตินี้จะมีความสุขมีความยืดเรื้อใจไม่มีอะไรความสุขมีความสุกเท่ากับออการปฏิบัติทำถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติไปแล้ว ม, มันมีแต่จะทำให้ใจเราเบาใจเราสุดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความทุกขค์ความกังวลใจความเดือดร้อนใจต่างๆมันจะถอยออกไปกลออกไ ป, ไปาจากสิตาใจเรา แม้มืกับสิ่งอื่นๆเลยน้องต่อให้ได้มามากเท่าไรหร่ไอ้ความทุกข์ความกังวลใจมันก็ไม่เลยน้อยถอยลงไปมันก็มีเริ่มขึ้นตามสิ่งที่เรามีเท่านั้ะมีอะไรมันก็ต้องกังเอต้องผ่วงต้องห่วงวกับสิ่งที่เรามีแต่มีความสนุกมีมากน้อยเท่าไหร่ความกังวลความห่วงความห่งก็น้อยลงไปเรื่อยๆหมดไปเรยจนไม่มีอะไรเลือย่เลยดังนั้น ขอให้ท่านทงหลายจงมีความมั่นใจในการลงเพ็ญสิ่งที่ทํามาที่ถูกแล้วทำบุญให้ทานนี้ก็ถูกแล้วว่าเราไม่ควรที่จะเพี้ยดาวเข้าของเงินทองที่เรามีเดี๋ใช้แล้วไม่ควรเราไปใช้ในทางที่จะส่งเสริมไม่เกิดความโลกความโกวธความหลงควรที่จะใช้เป็นทางที่สกัดสะท้นก็คือการาทําบุญให้ทานส่วนการราักษาศีลก็เป็นศีลที่จำเป็นถ้าจะทำงานรักษาให้จัง ไม่ต้องไปมีเรื่องมีปัญหากับสิตตบนต่างๆกับบุคคลต่างๆเวลาไปทำอะไรผิดถึงผิดทางน่ากามันจะวุน่นวายใจจะเป็นทางวุ่งงนงอนจาจขึ้นมาเราก็ต้องรักษาสินไปทาทางทำบุญไปแล้วก็ควรจะภาวนท า, าทำศึกําสมาธิติดตั้งสติอยู่เรื่อย ถ้าเราทําอย่างนี้ไนดะ้แล้วไม่ช้าก่อเร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้สัมผัสจากความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะสบายหล้วก็จะปฏิบัติได้ไปเนื่อยๆและเวลาประสบกับความความทุกข์ต่างๆซึ่งความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะแม่นมาเขย่าเงื่อมาสร้ า, างความรื่นรีให้กับจิตใจของเรา จิตใจของเรามันนิ่งมันเเหมือนก้อนหินอะไรไม่สามารถที่จะมากระทบทำให้มันหวั่นไหวได้ก็อยากจะชวนเชิญไม่ว่าสนับสนุนให้พยายามปฏิบัติันทางนี้เป็นทางเดินที่จะพาไปสู่ความน่่มนวลปนสุขความเจริญาจริงจะขออุติใจเพื่อนตรงนี้ เป็นไงจะมาซื้อขายแต่หลายคนคนสองคนเลยไหนเขามาก่อนละเขามาพี่เล่ามามาเทสเช่มาเทสเช่ก่อนเพรู้ว่าจะต้องไม่อยู่ อย่าไปคิดอะไรเลยบางทีถ้ามาไม่ได้ก็มันก็มาไม่ได้มันก็เป็นธรรมดามีขาดมีเกินบ้างแต่อย่าให้มันขาดเพราะคิดเกลียดเพราะอยากมาเพราะะแต่ถ้ามันขาดเพราะมันเป็นเหตุสิทธิ์สยเกิดไข้ได้ตัวมีธฤรรจิตมีภาระจิตอะไรที่จะต้องไปทำาะไรกัน่อเนื่องแล่วมีคนมาชิใหม่ก็มีคนใหม่หลายคนเหมือนกัน ปรเด็มันเป็นการช่วยกันช่วยช่วยช่วยเดินกันช่วยสนับสนุนกันทำให้ให้กาลังใจกันมีแต่คนอยากม า, าทำกันถามันไม่ตรงวันาจะให้เลื่อนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แย่งย่งวันกัตอน้นนนนก็จับกระทิบเนะ <c oughs> อาเเลือกเอาจะไปมาวันอธทิตย์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาครบทิตก็ได้ัดไปมาก็ได้ มาแซมงานแบบงานที่ก้องมีการเที่ยวด้วยที่สามีภรรยาเนี่ยใช้น้อคนนมีความมากนะก็มีาให้ก็ไก่มาข้างหลันที่สี่ค่ะแล้วก็พหลังขอเล่จะตนี้แต่ข้างหลังใม่ที่เป็นไทยนี่ก็นใจาก้ีใจไม่้่ที่เรีนใไทยทหาจารพวกอะไรเนี้ยค่ะ เาความทุกข์มาให้เขาต้องการเก็บภาพที่แอบให้เขาให้เขาที่จะทาใจได้คือส่งวัสถุไปให้เขาก็ยึดไม่ได้คือก็มีกาลังใจที่จะอ่านวัตถุเความคิดบ้างเรื่อมาทีมันเหมือนกับพาคนไข้มาหมอที่มันสายจะเสียแล้วเรื่องใจเส้นแล้วหมอก็ทาอะไรไม่ได้เหมือนกันพาอย่างคนที่เป็นโรคหัวใจวาย แจะพาเข้าไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ามาแล้วก็ตามหัวใจแล้วมันก็ไม่มันไม่มันไม่คืนนมันคือก็อาจจะเป็นการเมื่อที่มันไม่คืนนะเจ้าหมอ ก, ก็ทําเต็มที่แล้วยาก็ให้แล้วหนังสือก็ให้แจอ่านอะไรก็พูดอะไนี้แล้วเมือคนท่านไม่รับยาให้ให้ <c oughs> ให้ช็อกให้กินยาแต่ไม่ยอม ก, กินยา ถ้เมื่อยามไม่เข้าไปในร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้มันก็ถึงทางที่เราจะต้องสงสารได้แตอย่าไปทุกข์ประทังกันทุกข์ก็กไม่ได้ไปแก้ปัญหาของเาจัดสร้างปัญหาให้กับเราือสร้างความทุกให้กับเราตัวอย่างที่เริ่มต้นทุ่มไปเองถ้าเขาคิดอยู่ วิอยาศาสตร์ข้อแรกเมืแล้วเขาคิดอยู่เลือทุกทุกวันแล้วเขาจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเมื่ออะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาต้องเตลียนตัวเปลียนใจเหมือนคนที่เป็นนักเรนรู้ว่าจะต้องจบแต่เรามีน้อมแล้วเราไม่กลัวแล้วนะว่ามันจะตบแล้วก็เรื่องขอแคน ก็พูดฝ่อไว้ไงเมื่อตกก็ไม่เป็นไรตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารับได้รับได้แค่สองสภาพที่เรายังรับไม่ได้ก็ทุกถ้ารับไม่ได้ ก, ไไดก็ทุกเพาะถ้ามันจะตกมันก็ตกอช่ไหมครูบาอาจารย์ท่านยังตกเลยรอบปีสองอาจารคูบ า, ญญาอาจารย์ห้ารุ่น างานเลบินมามาตกเกิดก่อนมตอนหนึ่งไม่ไม่ไม่การพอดีมันมีพายุฝนมาเป็นเรื่องกรรงดาพอเรามาถึงที่ถึงคามันจะต้องมันจะต้องไปมันก็ต้องไปด้วยกันลึกจัง่แล้วที่มีการากลับเรดินถามท่ี่ว่าการทําบุญกับไทยถึงได้บุญเยอะที่ท่านบอกว่าไทยก็ได้ที่ทำ่านรำคาญจุดทีนี้เพื่อนเขาฝากถามอิชาว่า เขาก็ทําบุญแล้วเขาขออุทิศส่วนส่วนให้กับญาติที่ตายไปแล้วเนี่ยอันส่งที่ทําบุญกับครูบาอาจารย์กับทําบุญกับคนอื่นๆเนี่ยใครก็คนที่จะได้รับเนี่ยจะได้รับจากคือคือบุญที่เราทําที่เรี่าเป็นความสุัใจเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าจะทำแล้วเรามีความสรัทธมากบุญมากอันนี้นเป็นบุญส่วนหนึ่ง การบุญในส่วนที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทํานั้นมันไม่เกี่ยวกับบุญก้าวบุญบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทําบุญด้วยเช่นถ้าเราทําบุญกับเขาพป็นเจ้าแล้วเราได้ฟังเทศน์การธรรมจากท่านเจ้ายังกาแสดงทำอย่างทําให้เราไม่หลุดพ้นหายทุกข์ได้เนี่ยอันนี้เป็นบุ ญ, บญอีกเกาะ อ, อีกชิ้นนึงอีกก้อนที่เราได้รับแถมมาจากบุญที่ได้จากการให้ จึงบอกนะว่าการที่เราให้อะไรกับใครนี้นมันก็มีความสุขเหมือนกันเป็นเราะสุมากสุขน้อยถ้าเราให้กับคนที่เราถ้าเราเสียสละมากตับงมากเราชนะที่เหลืเราได้มากมันก็มีความสุขมากแต่คนที่เราให้ไปนั้นเขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรเราเช่อถึงว่าเราเรารักหมาตัวนี้มากเราก็เลี้ยนดูมันอย่างดีเราก็มีความสุข แต่มาตัวนั้นมันไม่ได้ให้ธรรมะตลอดเหนียมากมันก็หา่างเวลาคนพันมามันก็ค่อยหา่างคอยสอนบ้านให้เรามันก็ให้ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราไปทํากับคนที่ฉลาคนที่มีความนู้เขาก็สามารถสอรรงเราในส่วนที่้ําได้รู้สา ม, มารถเอาส่วที่เขาสอน ม, มาทําให้เกิดความสุขขึ้นในระดับหนึ่งเช่นสอนให้เราทํา ส, ส, สมาธิสรรอนให้เราจงวา แล้วเราเอาไปทําได้เราก็สบายขึ้นเครื่องบินเราก็ไม่เดือดร้อนจะต้องประกอบไม่ตกก็ไม่ตกแต่สบายแต่เขา เ, เขาอยากจะทราบว่าบุญที่ทําเลยแล้วก็ขออุทิศสิ่งกุศลให้หยังพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยบุญที่ทํากับครูบาอาจารย์กับที่ทำทผู้ทั่วไปเนี่ยก็อยจ่ทใจของเราเวลาเราทําครูบาอาจารย์มันมีความมั่นใจเรามีความสนใจมันก็มาก แต่ะะเราไปทากับคนงที่เราให้มีความตั่นใจหรือไม่มีความสาคใจในกานั้นสิ่งที่เราอุทิศไปก็คือความสุขใจน<ม>ทางนี้พราว่าพ่อแม่จะได้จากทาี่ไหนมากกว่เอัแล้วก็บางทีคนที่เราจะส่งไปให้บางทีเขาก็ไม่มีความต้อใจที่จะต้องรอรัอบบนญส่วนี้ก็ได้เพราะบุอุทิศนี้เป็นบนุที่น้อนมากเคยได้ยินท่านพูดว่า เป็เียเดียวทั้งนอาจจะเปน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นสมมุติเราทำเงินร้อยบาทมันอาจจะอุทิศาปไม่ถึงบาทเป็นเงินกับเศ่อาหารนการเงินเศษเงินเศษธรรมที่เราให้ขอทานดังนั้นท่านเบอกว่าเราอย่าไปหวงกับเงินจนุเท็จเราอยู่มีชีวิตอยู่เราทุ่มคำดุลให้มากๆของแค่ของบัณฑ์ทำกันเราเอง และแต่เวลาที่เราทํางานทาบุญให้กับคนตายงานงานแบบนี้ส่วใหญ่ก็คนที่เสียเงินเสียตังค์ที่ไปร่วมทําบุญนี่เป็นคนได้บุญ<ม>คนตายเแล้ว ก, ก็ได้กันน้อยมากแต่ถ้าต้องทําบุญมาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่ต้องรักาอะไรเลย<ม>ถ้าเขาไปเกิดเป็นเทพ<ม>เขาก็ไม่ต้องเพื่อมีลีสัตชนิดเดียวที่รับบุญอยู่ทิศได้ก็มีอพวกเดือน เป็นนรกก็รักเมดานเป็นอสุรกายก็รักเนดานเป็นเดรัจฉานท้าก็เท้าวตาธรมกินทองเ้าเองเป็นพวกเจ้าได้ตั้ง่แล้พวกอุปติกาญาณก็เนี่ยพวกอุปจิกาและพวกเกศโอเคหลวงพ่อคะ ปต่กรณีที่ฝากทำบุญมาแล้วคือเจ้าัวไม่ได้มาแล้วเองขาวก็ก็มันก็ได้เขาก็ได้คุณจะได้เก้าสิบเก้าเเซนแล้วคนที่รับสากมาได้เปอเซ็นเด้นนเป็นเดียวได้สาน้ากับพวกที่ ร, รับสารเป็น<ม><ม>เป็นไปชนีที่รับที่ดวงตาทา วันเปิดโลกวาท่าแล้วค่าอาจารย์ที่บอกว่าท่ามันก็ถือได้แล้วได้เามพัทธนก็มามาบาได้มาเชื่อชมยินดีด้วยมันร่วมยอย่างพวกเราไปทำบุญเราก็เราก็ไม่ได้รับผลที่เขาอุทิศเราก็ไปทำบุญกันอันนี้ผู้ใดที่รู้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในพบไหนไปแล้วแต่รูปอนุโมทนาของหลวงตานี่ก็จะได้บุญส่วนนั้นอย่างเทศเร้ดาที่เรารู้ถึงบรนี ก็ได้เ็นจากการมีโมทนามีความเชื่อมชมยินดีมีความสุขเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทำความดีถ้าเรามีความสุขให้กับเขาเชื่อมชมยินดีเชื่อมชมบคนเห็นคนอื่นทางความดีกับอิจฉาลิศยาแทนที่จะมีความสุขก็กลับมีความทุกขนไปกูว่าเขาทาความดีแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่หน้าเรา ก็นีสอนว่าเ น, นี่ยเอาเมตตาเห็นใครก็ทำควางดีอยากไปเผยฉาอยากไปวิทยาเพราะเอาฉายิทยาเนี่มันเป็นโทษมันเป็นความทุกข์ในใจเราถ้ามีสอนให้เจริญวิริกาจิตให้มีวิริยาจิตเวลาเห็นผู้อื่นก็มีความเจ็บมีความเจริญก็คนจะเชื่อชมยินดีอะไรครับคิดแต่ว่ามันเป็นอานที่ส่งของค น, นที่เขาได้ทํามาแล้ว ก, กัน อนที่ทํำบุญก็ต้องมีบุญเก่าถึงจะทำบุญทำบุญหนาญะคน ท, ที่ไม่มีบุญเก่าไม้มากเท่าหนนะ้าชอบทำบุญ ม, มันเป็นนิสัยไงอย่างที่บอกนี้เขาก็ต้องหลับกันไปเรื่อยๆก็จนกว่าก็จะ เ, เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยของเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทํานี่เหมือนการแต่มันชาเรื่อ็วมากเร็น้อยอย่างองคุณไมมาแล้วท่าคนมาต้องก้าวล่าช้าเกิดก้าวคนได้ไปเจอพระพุทธเจ<ม>้าก็ยัง สามว่าที่จะติ๊กต้นเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตอนเองทำผิดขอให้มีปัญญาเกิดขึ้นนะนั้นถ้าคนนี้รู้ว่าสิ่งที่ตอนเองทํานี่เป็นบาปเป็นกรรมหนึ่งไม่ ม, มีประโยชน์อย่างนี้แล้ว เ, เข้าใจเขาจะเริกได้ ท, ทันทีแต่ถ้าก็ยังไม่มีอย่างที่เราพูดว่าไอ้คนนีมมนมมนนนน้มันไม่มีแสงสว่างไม่มีดวงใจเห็นธรรมสักทีเนี่ยมันยังไม่เกิดปัญญามันยังมืดบอดอยู่มันยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันเคยชอบ ทำมันก็จะทําถึงนั้นไปเรื่ยเป็นนิสัยไงมันก็เป็นที่ขนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็จะทบบําันไปแบบนั้นทจงเจดูชีวิตเราที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเราทำํำซ้าๆซักซ้าจำเจอยู่ตลอดเคยทําอะไรเป็นเช้าขึ้นมาก็ทําถึงนั้นก่อนตามลําดับไปแล้วล อ, ล, อลองเช็คดูไม่มีไม่มีค่าเลยเวลานี้จะทําทอะไรม่รู้เลยก็เราไม่เปลี่ยนนัเลยเราเปลี็นนิสัย แต่ถ้าเรามานั่งคิดเราไปถามว่าไอ้ตอนนี้ทํานี้มันบวกแล้วคูณอะแล้วมันได้กําไรเยอะขาดทุนทางด้านจุดใดญ่ะรารู้ว่าขาดทุนไม่อยาจะทำเพถึงเวลาบ่ายจะต้องเดื่มกบไปเนี่ยถามตัวเองนึ่งมันได้กำไรขาดตัวเองอาดื่มกาแฟกับไปนั่งสวดม น, นั่งสมาธิอันนั้นจะดีกว่าใจแต่เราต้องคิดอย่างนี้สิต้องรู้จักคิดรู้จักแยกแยะถ้าไม่ ง, งั้นก็มันก็จะทําจางการเคยที่เคยทํำ แล้วถ้าพอไม่ได้ทำขึ้นมารู้สึกหนุอหนนะเนี่ยเคยกิน ก, กาแฟแล้วเกิด ก, กาแฟมันหมดเยอะกับน้ำร้อนต้องไม่ได้ไฟมันดับเนื้อแก๊สมันหนุนอย่างเงี้ยนะมันก็หนุอหนึบไปลนะ จ้างให้ท่คิดได้นะเพราะมันควรกันได้ดีกว่าไปทํำแต่างอม่นแต่พอเรนนเ่าพักๆนี่เห็นผลต้องขึงมันมันไม่ได้ไงก็ต้องขึงต้องทําหมือนกันเหมือกับกินข้าวเราเนี่ยเราไม่อยากกินข้าวแต่ถ้าเราไม่กินเดี๋วมันก็หิวใช่ไหมก็ยังขึงกินได้นะเพรากลัวความหิวมากกว่าแต่เราไม่ค่อยกลัวความทุกข์กัน ไม่ค่อยกลัวความทุกง์สั้นกันเท่าไหร่ไม่กลัวความวุ่นวายใจกันเท่าไหร่เราจรึงไม่ค่อยให้อาหารจใจไม่กินอาหารให้กับไม่ไม่กินอาหารใจกันว่ากินแต่อาหารที่เละที่เละมันจะอ้วนท้วนเรื่องความโล่งความโกรนนี่ไม่ต้องสอนกันเลยแม้แตเด็กอายุเ <c oughs> พิ่งออกมามันก็มีความโล่งความโกรนความหลงติดมันละมันไม่พอใจกันกันล้อนะ เมื่ารตอนต้นจะถึงพูดถึงเรื่องของตอนคนเจ็บป่วยนะฮะอนุญาตที่จะจะจ ะ, จะตายเนี่ยเวทนาทางกายมันมากแล้วบานทีก็ทําให้เวทนาทางจิตมันก็เกิดไปด้วยสมันก็ว่ผู้คนที่ทั้งหลายนี่นก็ยังไม่มีความพร้อมจิตใจที่จะรับสิ่งเหล่านั้นออันนี้มันทำยังไงที่ว่าให้มีความพร้อมนั้นก็ต้องเนี่ยก็ต้องปฏิบัติทำ วามพิจารณาธรรมะอยู่เรืยเรื่ยเรความเกิดความแก่ความเจ็ความตายก็เป็นธรรมดามันก็จะลดความทุกทางน่าจิตใจไปได้เยอะความทุกขทางกายนันมันแค่สิบเอร์เซนั้นเองเวลาที่เราเกิดความเจเ็บไข้แล้วเกิดแล้วแก่ความทุกมันจะมีทุกข์สองอย่างซ้อนกันอยู่ทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายมันแค่สบเปอรน่เกลียดเลกกวทุกข์ใจ เวลาปฏิบัติแล้วเรามำจินให้สงบได้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้เวลาตอนที่จิตเราไม่สงบนี่ยเรามีความกังวลมีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับความเป็นความการของเราแต่พอจิตมันสงบลงไปปั้นนี้ความเจ็บัวดเขาร่างกายนี่มันมัมีนิดเดียวไที่มันเจ็บมันปวดเนอย่างนึงอยู่ในใจเราแต่เช่นเคยอดอาหารเนี่ย เวลาอนุบาลแล้วถ้าจิตไม่สงบเนี่ยโอ้ยมันฟุ้งซ่านมันทรมานคิดแต่เรื่องอาหารแต่พอทําจิตให้สงบก็าความผู้คิดแต่จากความทุ้งซ่านความคิดฟุ้งนี่มันหายันเนื่องแต่ความรู้สึกหิ ห, ห, ห, ห, หิวท้องหิวในใจอะไรในกายมันมันมันความความทุกข์ทางกายนี่มันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทางใจงพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ท่านจะไม่ไม่หวั่นไหวกับความเป็นความตาย พอท่านผ่านมันหมดละเรื่องานาขนาดไหนท่านก็ผ่านมานหมดละท่านผ่านมันได้ท่านทำจิตให้นิ่งแล้วให้เวทนามันแสดงออกมามันเต็นที่เป็นกางมันจะหายกัเองอย่างหลวงตามทนเล่าว่าท่านัสมาธิทั้งทีทุกเวทนานี่มันจะมาสามลูสามลีกสี่ละรอบรอบแรกมันเป็นเหมือนหนูตัวนี้รอบที่สอเหมือนแมวรอบที่สามมีสีเหมือนชาแนน มันมนกระทืทั้งเยียไปทั้งตัวร่างกายเนีนความทุกข์ในทุกทุกส่วนขังร่างกายเลยว่ามันปวดยาวไปหแต่ถ้าใจไม่หวัหวเลใจพ็จะได้เยอะๆความทุกข์ใจยังมีมีแต่ความทุกข์ทางะะด้านร่างกายใจมันกำลับได้เพื่อต้องทำให้เกิดความเคยชินในสิ่งเหล่านี้ ผมว่าได้พบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต่อสู้กับมันจนให้ให้เกิดความเคยชินก็เหมือนกับคนที่เคยกินของเผ็ดกับคนนี้ไม่เคยกินของเผ็ดคนกินเผ็นไม่เอาเอาพริกขี้หนูใส่เข้าไปซักกคำหนึ่งเขาก็ยังตินรู้สึกเฉยๆคนที่ไม่เคยกินของเผ็ ด, น, ผด น, กกนีนนนกนด่กินแค่ขึ้นแม็กโนโหก็ก็ทรมานเพราะความไม่เคยชินแล้วก็ เราต้องพยายามนเกิดความเคยตืรือนกับความเจ็บไข้ได้ตัวในความความเก่าความแก่ความเจ็บความตายพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายบ้างคนแก่แต่ไหนไม่น่าก็หัดอยู่บ้านมากเลยคนแก่ก็จะเลี้ยเป็นกลางไม่ได้ ท่านอาจารย์คะอย่สมมติว่าอย่างตอนงต้เจอทุกวิทยาเป็นระยะๆแล้วก็อร่มมากขึ้นแต่ถ้านเนี่ยมีสมาธิที่ด้าแม่นะ้วแต่อย่างอย่างเขาอย่างอย่านี้เพื่อเริ่มภาวนาสมาธิก็ไม่แข็งล้าจิตก็ยังไม่สงบตอนนั่งๆไปนี่ก็แบบว่าเราเริ่มสงบปุ๊บทุกวิทยาทางด้านกายเริ่มเกิดอล้ตอนนี้ก็แบบว่าอยากจะเปลี่ยนท่านั่งคือคิดว่าถ้าเปลี่ยนท่านี่จิตจะสงบไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแล้วจิตจะจดจ่อกับสิ่งที่ทุกเวทาจะเกิดเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีคะควรจะเปลี่ยนหรือว่าควรจะสู้กับวันใสเรือ่อยถ้าเราอยากจะเลื่อนชั้นอยากปอหนอึงขึ้นปอสองเราต้องเราก็ลนั่งต่อไป <c oughs> ถ้าเราอยากจะเลื่อนชั้นชั้นเราก็จบท่นี้จบที่นี้น <c oughs> มัไหนต้งให้คณา จ, จารย์ผ่านนั่งสักสามสี่ชั่วโมงเล ย, ยคุบคือที่บอกว่าดวงจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดทีนี้แต่ละชาติความคุยที น, นี้ฮเราจะมาตอบในแต่ลชาตินี้ได้เหมที่ว่าบางนคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งอ <c oughs> ี้มันไตกับจุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้ไม่ได้อาศัยลาอาศัยสมงององร่างกายหรอคะ่มสมงองร่าการเือนมือถือเรเปลี่ยนเครื่องคนพูดก็คนเดิม คุณเขียงเดิมอะไรเดิมภาษาสำเนียงก็อันเดิมแต่เครื่องที่เราใช้เราเปลี่ยนไปซื้อโนเกียเราเดี๋ยวปีหน้าพรุ่งนี้เราซื้อซันมาอาจาราโทรไปหาอีกคนนึงเขาก็รู้ว่าเป็นลรมอยู่ดีใช่ก็เด็กมาคนเด็กมางคนเกิดมาเด็กกัดชริยะไง ว่า จ, right. จิตเขาเป็นไปดอวยจิตอาเชียไม่นะไม่เกี่ยว่า <c oughs> ร่างกายจนเครื่องมือ อ, อันนี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เขาได้ทำมทามใช่ไหนท่านายาบุญวาสนาก็คือจิตนิสัยต่างๆที่รสสักษาผมว่าจะจิตาำนิสัยดีมั <c oughs> ก็เป็นบุญนิสัยไม่ดีก็เป็นบานจะผิดเิดไปแล้วก็็นการพัฒนาเรื่องการเสียอลงไปในแต่ละชาติแล้วก็มาชาตินี้เรามาเจอคนชอบทาบุญมาชวนเราทาบุญแล้วก็พัฒนา ถ้าชานน่ไปเจอคนชอบดื่มเหล้าเมายาเล่นการพนันชวนละไปแล้วก็ไปกับเขา ม, มันก็มันก็เลื่อนลงไปถ้าเรายังมีสติที่ยังไม่มั่นคงใช่คือคนที่ยังไม่มีแรงพอที่จะตักดันเข้าไปทางบนอย่างเดียว การน่ถทางหนแ่หน้าเรจะเดินคนทำรุญลอกันก็เนี่ยเรื่องการงเลยเพราะฉะนั้ว่าควเราที่จะเจอกันแท่นหน้าได้ก็ถามว่ามีทานเท่ากันสีเท่ากันสมาธิเท่ากันปฏิบัติธรรมเท่า <serving> กันไม่ก็ขับรถเนี่ยถ้ารถตู้วิ่งความเร็วเท่าเากันมันก็ไปด้วยกันได้ถ้ากันหนึงวิ่งร้อยคันหนึ่งวิ่งห้าสิบนี่มันก็ทากันไม่ได้ อาจารย์อยันสเแล้วมเกิดคามกลัมากจะทาไงดีแล้วระว่าเกิดกลขึ้นมานลยไม่มีเหตุผลลต้องไปทำงานที่ส um ุวรรณภูมาค่ะเขาบอกว่าผีดุผีดุมกมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยการจะภาวนาในที่นีะคะนี่เพิ่งลมนหนึ่งไปเลยค่ะว่ามีผีนป็นผีเข้าล่าคนเกิดอะไเกิดความกลัวท่านบอกว่าอย่าโศมเจ็บเราไปคิดถึงเรื่องนั้น ไห้คถึง ว, ว่าพูดก็ทรก็สษนสวดอุปถัมภ์สวนตลาขาตสวสุภัปฏิปัญโญไปเรื่อยๆทาสมาธิไปด้วยการสรวดมนต์เจริญต่อพุทธคุณกเพื่อมาสัพณเมื่อจิตเดิมจิตถึงเรื่องที่มันทาให้เรากลัวหวนจหายไปความกลัวไม่ได้อยู่ข้างน้าความกลั อ, อยู่ข้างในใจเราเกิดจากที่จิตเราไปคิดปรุงใจขึ้นมาเกิดจากที่จิตมีอุปทานกลัวกลัวกลัวตานี่เอง กลัวที่จะเจอกับสิ่ที่ตนเองไม่ปรารถนาถ้าเราจิบไม่งเยียวยาไม้คิดมันก็จะไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวนะ่เพราะไม่ได้คิดแต่พอเราไปคิดปั๊บมันก็จะกลัวตอนนี้นั่งอยู่นี่เยอะๆไม่มีใครกลัวแต่ถ้าเย็งนี้ให้ไปพก็ที่เดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างที่เดียวกันความกลัวไม่อยู่ในใจแล้ว แต่ถ้าอยู่ทั้งนี้อยู่ที่ในทั้งคืนด้วยกันให้กลัว <c oughs> แต่ถ้าอยู่คนเดียวกลัวดังน <c oughs> ั้นเวลามักลัวก็อย่าไปอย่าส่งจิตไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวนี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งอุบายอย่างที่สองก็คือจเจริญปัญญาใช้ปัญญาเกิดมาต้องแก่ต้องเปลียนต้องตายถ้ามันจะตายตอนนี้กล้ามานรู้กันมันยอมตายถ้ายอมตายได้มันหายกลัวนี่ <c oughs> มันมีสองวิธีถ้ายังไม่กล้าพอที่จะสละ ยิก็อยากไปคิดถึงมันสวดมนต์ก่อนคิดถึงพระพุทธธรรมผสมไปเรื่อยๆก็เวลาคนตกใจมากๆก็พุทโธพุทโธละหันเองแล้วจิตก็สงบได้นะที่พักที่านต้องไปอยู่ที่กลัวๆที่ก็เพราะว่าจะได้บังคับให้จิตมันเข้าหาพระพุทธธรรมระสมให้หาส่วนมนต์พอมันส่วนแล้วมันก็ไม่ได้ไคิดไอ้เรื่องที่ทําให้กลัว ควนมสุขตั้งๆดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันรวมลงสงบนิ่งเลยมันก็รู้อ๋อเมื่อกีกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเพราะไม่กลัวแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะใจเราไปคิดเองเห็นใบไม้พยายามหนันไปคิดว่าอะไรมาแล้วใจเราไปคิดเองดมมันอาจจะพัดมาหรืออะไรมาแล้หรือบางทีตกแกหรือตัวจิ้งจบด้วยมันอะไรหนูมันร่วงกันเราคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันแล้ เป็นพวกที่ไม่มีปัญญาอะรพวกกระตายตึงตูมวลได้ยินเสียงอะไรหนักก็กลัวล่ะงั้นถ้าเกิดเวลาเกิดความกลัวแล้วเรอจะทําไงก็อให้เราลกถึงิระพวกระตันผสมเส่วนอุทิโและพุทโธพุทโธเป็นอย่างเียนะพุทโธพุทโธำโมทำโมสังคุสังคุไปเรื่อยๆอยาให้ใจจะพิสัยเรื่องความกลัวเราบถงหลักตาย่างนปสอนไปให้ยเกาะอยู่กับพุทโธเนี่ย ถ้าปลนนานๆครั้งเจอมันก็อยากจะกลัวแต่เมื่อได้มีโอกาสได้ฝึกฝนนะว่าอย่างคุณบาจย์เคยพูดว่าลราเอาไหนกลัวเมื่อไหร่กลัวอะไรให้ไปอยู่ตรงนั้นกลัวป่าชาให้ไปอยูป่าช้าอย่างนั้นแต่พอได้อยู่ไปนานๆแล้วมันก็เฉื่อยเ่อยบางทีทานก็ต้องย้ายที่หรือว่าท่านมั่นใจแล้วว่าท่านไม่ไม่กลัวแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กลัวแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปไหนกันแล้อยู่อย่างปกติธรรมดาเพราะการไปนี่หนึ่งก็เป็นการทํากายภาพบำบัดในการเราไปรักษาใจ ใจมันมีความกลัวอยู่แล้วก็ไปแก้ทําครัวเมื่อไม่กลัวแล้วเราอยู่ที่ไหนก็นอยู่ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ป่าช้าตลอดชีวิตเหมือกับคนที่ไปโรงพยาบาลเขาต้องไปรักษาตัวใช่ไนะหมพอหายแล้วก็กลับบ้านก็อยู่ตามปกติใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนร่างกายมันมีโรกคือความทุกข์อคือความกลัวแก่ความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่เอง ไม่ได้กลัวอะไรอกกลัวการทักท่าจับกันแต่ถ้าเราไปไปทํากายะภาพไ ป, ไปทําจิตบาลบัดแล้วก็จิตมันยอมรับความจริงนี้ได้มันก็กลับมาอยู่กันแต่กรติดยังไม่แ ก, ก่ก็ก็ไม่เดือดร้อนยังไม่ตายก็ไม่เดือดร้อนแต่พอจะแกะ่พอจะติดพอจะตายมันก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันคือเป็นตายเท่ากันแต่เท่ายัางไม่ได้ว่าการบาลบัต เรายังเป็นสาวอยู่ตอนนี้พอคิดถึงความแก่หล่อยเรก็กลัวละคิดถึงความเจ็บไข้นด้ป่วยล้วก็กลัวแล้ะคิดถึงความตายเราก็กลัวทถ้าเที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยที่เราคิดแค่นั้นันก็มันจะเกิดความกลัวขึ้นมาดังนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายปัญหามันอยู่ที่ความกลัวคือความทุกข์นี่เองพระพุทธเจ้าเห็นบอกว่าความทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตาย เพรเหตุคือสมถทัยคือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายดั้นเราก็ต้องไปละสัตตัวสมุทัยให้ตัวที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บตายให้มันไม่ต้องไปไปไม่อยากให้มันเฉยๆแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายความทุกข์ก็จะไม่มีในใจเรานั่งสมาธิเอามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปนี่เราฝึกไง เหมือเราเจ็บแค่ได้ส่วนมันก็ต้องเจ็บอย่างนี้แหละป้าพเจ้าเจ็บไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธเพรต่อไปถ้าเราไม่จะคิดถึงการเจ็บบางทีเดี๋ยวความเจ็บหายไ ป, ไปถ้าเราจะรู้ว่าเอาวิธีที่จะต่อบตัว่าความเจ็บทางร่างกายก็คือพยายามลักขาจิตเยียจิตของเราไม่ให้ไปรับรู้เรื่องอื่นให้อยู่กับพุโทโธ อ, อย่างเดียวนี่ควากลัวก็แบบนี้กันความกลัวความเจ็บก็แบบเดีย ว, วกัน แเราอย่าไปส่งจิตไปหามันเขยิ่งไปหามันแล้วมันก็ยี่งเกิดความอยากให้มันหายอยากให้มันอยากจะหนีจากมันไปมันก็ยิ่งทาให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นในจุดในใจที่มีความมุ่งหมายกว่าความเจ็บของของร่างกายในเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยนั่งฟังธรรมะกันเนี่ยมันทีมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่เพราะใจเราไม่ได้อยู่กับความเจ็บนั้นต่เราอยู่กับธรรมะที่เราฟังอยู่ แต่เรานั่งคนเดียวนั่งไม่ได้นานขนาดนี้แหะเดี๋ยวต้องขยับละขยับนี่ขยับนี่ไปเพราะใจมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะทําให้ JI, มันนิ่งมันไปอยู่กับเอ้ยความเจ็บแล้วก็เกิดเกิดสนมุทัยคือความอยากให้ความเจ็ดนี้มันหายไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยการขยับก็ดีหนีนิกขึ้นก็ดีหนีด้านหนีไปเปลี่ยนที่เปลี่นทางไป มันก็เวลามันเจ็บเพื่ไม่ต้องไปกลัวมันถ้ายิ่งกลัวมันยิ่งเจ็บถ้าไม่กลัวมาแล้วทําเจ็บมน้อนมันจะเจ็บเพที่กายพะ่านั้นเองเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ขความเจ็บที่ายมันจะไม่มีการใหม่ๆมันจะยากเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติพอมันเจ็บกายก็ใจมันจะเจ็บขึ้นมาพร้อมๆกันแต่เราก็ต้องฝืน พยายามบริกรรพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเรื่อยวนมันัสสวดมนัไปเรื่อยเอย่ากจะสนใจความเจ็บบา่ีเดียเดียวมันก็หายไปแ้เดียวมันก็กลับมาอีกมันจะต้องกลับมาเอยเ่มันจะมาหลายระลอกทุกันร่างกาว่าเราจะมีวิธีรักษาปิดไม่ให้ประยุกต์มนได้ถ้าจิดปลายวางได้แล้วมันก็ไม่มีปัญหามันจะหายไปไม่ไม่หายไปก็ไม่เป็นปัญหาขับใจถ้าจะไม่มีปัญหาร่างกายก็จะไม่ไม่มี สามารถอยู่ในสภาพเดินได้ไปนั่งอยู่ในท่าไหนก็นั่งต่อไปได้ไม่เดือดรอนนมันก็กลับมาที่ตัวสติเนี่ยต้องมีสติเป็เดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจไนวะ้เนี่ยตอนนี้มันไปคิดไปรับรู้ไอ้ไอ้เรื่องเรื่องอื่นที่ทำให้เกิดใจทาให้ใจเราต้องทุกข์ขึ้นมาเอง อาจารย์ไม่ทุกเ์แไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดมันก็ไม่ไม่เดือดร้อนร่างกายอาจารย์ไม่เหมือยยกนกันเหมือนกับการนี่แหละคือการแยกกายออกจากกันแยกมันตรงที่เวลามันเจ็บเนี่ยธรรมดามันจะติดกันเหมือนปลาท้อ ง, องโกเนี่ยพอเวลามันเจ็บนี่แล้วใจทำนี้่ทำจิตทำจนไม่ไม่ชี้กับเรื่องของความเจ็บของรา่างกายใจก็ไม่ปฏิบัติก็ไม่ไม่ปจิบัติเืองกับการเจ็บของรา่างกายด้านมันก็จะแยกออกจากกัน เบื้องต้นก็ต้องฝึกทำสมาธิไปก่อนทำให้มากทำให้จิตมันสงบฝึกทำสติให้มีสติเยอะๆแล้วก็ถ้าใช้ปัญญาได้ด้วยกันเองบางคนเจริญบางคนจะขนัดในการปัญญาก็ได้ชอบใช้คิดนิดๆคิดนานๆแล้วทำให้จิตมันสงบได้กล้ายๆอย่างนั้นก็ได้เป็นกำลังว่าเวทนานตัวนี้มันก็ไม่ได้อยู่นี่งไปตลอดหร เดี๋ยมัก็ต้องร่างกายร่างกายนี้มันก็มันก็เป็นอย่างนี้ร่างกายมันก็เป็นเหมือนกับพื้นที่นอนนั่งอยู่นี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเจ็บอย่า้ไม้นั่งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่รู้มันเจ็บกระดูกมันก็ไม่รู้มันเจ็บเรารู้ไม่ใช่อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่กระดูกเรารู้กับจิใจจิตใจัะไรนี้ก็ไม่ได้ติเจ็บมันมันก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับไอ้ไอ้ไอ้อาการที่ที่กระดูกมันสัมผัสอยู่ ทำไมใจจะเจ็บแทนมันด้วยแล้วเรนี้ใจมันก็ไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ใจไม้เ จ, จ็บมันก็สบายร <Okay. S 2> ับกับความเจ็บของร่างการแล้วจะมากจะน้อยอยา่างไรก็รับการจบความทพียรของขอ ง, ของใจนใี่มันมีอนุภาพมากกว่าความจบความทพียรของร่งงาการ่าการเรา สุขสบายดีถ้าทักขันใจไม่สบายก็ก็เหมือนกันไม่สบายกังวลเรื่องนั้นโหยเรื่อง น, นี้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เหมือนก้คนเจ็บไข้ได้เหมือนก้อนเป็นเราอยากจะฆ่าตัวตายไปทั้งนี้ทั้งนั้นที่ร่างกายก็ไม่ได้เป็ในอะไรแต่ใจมันทุกข์มากมันถอนละลายบ้างในทางตรงถ้ า, ถ, า <c oughs> ถ้าถ้าถึงแม้ใจถึงแมใใ้ร่างกายจะเจ็บปวดกายจะตายอยางไรแต่ถ้าใจมันไม่ ถ้าใจมันไม่ยังไม่ทุกข์ด้วยมันมีแต่ความฝึกยิ่งใ จ, ใจของพระพุทธเจ้าขอาหารใจของท่านกนไ็ไม่ก็ไม่ไมีเล่นเลยก็ไม่มีความทุกข์เลยในใจทั้งนั้นเพราะความทุกข์ของรางกายไม่สามารถที่จะอแทรกเข้าไปในในใจได้ไม่สามารถเข้าไปลบล้างความทุกข์ของใจได้แต่ความทุกข์ของใจไม่สามารถไปกบความทุกข์ของร่างกายได้ ดังน้นเราจึงควรที่จะมาสร้างความสุขที่ใจและกระดับความทุกข์ที่ใจให้หมดไปแล้วต่อไปด้านกายจะเป็นอะไรอย่างไรจะไม่มีปัญหาสบายอยู่ก็สุขตายก็สุขสิ่ทางที่ทำได้ก็คือต้องทําสมาธิกันเองก็เลวิธีนี้ก็ต่างกันเลย อาารย์นะไปบวชเลยอยู่คนเดียวไม่ไ้มาอะไรกัใครนี่แค่เริ่มต้นตัดไอความเคยชินในชีวิตประจงวันออกให้ได้สัก50เปอร์เซ็นต์ถ้าเก่งแล็นต่อการดำา้งชี่ตามสายไปเแค่นั้นก็เก่งนัเคราะหอนจาที่จะดูทุกคืนก็เอาแค่อาทิตย์ละคืนเท่้นเที่ยวที่แล้วนี้ติวเขาอ่านนสือของท่านอาจารย์ ทำให้เขาไปหยอได้เยอะเลยไม่อยกะขายแสบเลย่็นมีมันมีราาลทเซลล์กลังแต่ตัวจะออกไปบอกบอกพี่บ้านกม่กังเดี๋ยวไปหัข้าวนอกบ้านกรณ์หน้าึงหน้าตึหไปทไมเดียดียจกางเปล่าๆอะไรเงี้ยไม่ไปดีกว่าอีกว่ากำลังใจพี่พี่ปู่หพี่ปู่ กับพวกไครซเขาไปเ<ช><ห>ที่ยวงานจวิวเวลรี่ครับโมจิวเวลรี่ที่เหมืองทองทานนี้เขาพวกเขาซื้อกันสามแสนสี่แสนก็มาชวนพี่ปูซื้อนี่บอกแม่มาแล่วนะจานสอนหรือว่าอยู่ไปซื้อของไรอยนี่<า>นแกเราบอกว่าเออ ป, ปีนี้เป็นเาภาพกระถิ่นก็เลยได้เงินสามแสนห้ามาทำกรถิ่นนั่นแหละเพราะอยากได้ไม่ซื้อจิวเวลรี่จานเขาที่ปกปากมาถามเรื่องให้ทนาจาร์ อธิบายเรื่องสัญญาอสัญญาอารมณ์ค่ะเ อ, อถ้าจิตที่อิ่มอารมณ์แล้วเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเคื่อสัญญามันเป็นฐานเนี่ยฐันนี่มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่มันเป็นเครื่องมือของกิเลก็ได้เป็นเครื่องมือของธรรมก็ได้เช่นถ้าเรามีมองวานรัตินี่ก็เป็นสัญญาฐ า, านธรรมคิดถึงความตายนึกถึงความตายมอเห็นอะไรก็เห็นความตายซ้ อ, อยู่ในเห็นนั้นอันนี้ก็เเป็นก็เป็น เป็นสัญญาที่เป็นประโยชน์ส่วนสัญญาที่เป็นเป็นโทษก็คือมองอะไรก็เป็นเราเป็นของเราเี็นหน่ถ้ามอง่ามันก็เป็นโทษเพราะเวลาเราต้องสูญเสียของที่เราคิดว่าเป็นของเราไปมันก็มีความทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นของเราดังนั้นรถงคนอื่นเวลามันทางแล้วไม่ได้เดอดเพราะเราไม่มีสัญญาว่ามันเป็นของเรา ที่ถามว่าสัญญาอไรนะเป็นแง่อารมณ์ถ้าจิตที่อิ่มอารมณ์แล้วจิตจิตที่อิ่มอารมณ์แล้วยังมีสัญญาแบบนี้คำว่าจิตที่นะมันหมายถึงว่าจิตที่หลุดพ้นแล้ใช่ไมคือจิตที่หล้จิตที่มีความสุดมีความอิ่เต็มที่แล้วมีจิตของผ้าอาหารจิตของนาถ้าก็ยังมีขันห้าอยู่ขันห้าก็ยังทางานอยู่จนกมันจะสะแกทางกันท่านสมุทะเจ้าสังตัตในวันเพ็ญเดือนห อายุสามสิบหกสามสิบห้าคำสาสาสิห้าปีตอนนั้นขันห้ขนาข่านก็ยังมีเพิ่มขึ้นเลยอยู่ร่างกายก็มีวิจารณาัญญาสังขามีอย่างนันมีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำ น, นาจของกิเลสนั่นเองคือว่ามันก็อยู่เป็นเครื่องมือของธรรมไปเวลาท่านแสญญดงธรรมท่าก็ต้องใช้ปัญญาสังขาต้องจําได้ว่าอันเรื่องนั้นไอ้เรื่องนี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรอย่างไร แล้วก็ใช้สังขารความคิดปรุงเป็นตัวพูดออกมาลัพยานี้ก็เป็นเหมือนกับให้ข้อมูลทีรากิจไว้ในในฮาร์ดดิสก์ในในเครื่องคอมไอ้ข้อมูลทีรากิจไว้ในเครื่องคอมนี้เราจะเอาไปใช้ป้นธนาทานเอาไปทำมาเบิร์ดฆ่าคนก็ได้หรือเราจะเอาไปทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ได้ ไอ้ไอ้ขันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นของกลางๆไม่เป็นไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นธรรมมันเป็นสภาวะทำเหมือนกับร่างกายมันก็เป็นดินน้ำมูลไฟมดินน้ำมูลไฟมันไม่ได้เป็นกิเลสแต่มันสามารถเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เวลาเอาร่างกายนี้ไปป้นธนาคาศนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือของของกิเลสไปร่างกายคนนั้นก็เลยกลายเป็น เป็นเขาเรียกวเป็นเอ่อเป็นคนไม่ดีไปแต่ถ้าเอาร่างกายนี้มาบวชว่าปฏิบัติธรรมนม า, มาสอนสอนคนนั่นคนนี้ก็กลายเป็นร่างกายทีดด่ดีมันก็ร่างกายเหมือนกันร่างกายของของพระพุทธเจา้ากับร่างกายของเอ่อคนที่มีหใจหดไรทานนี้มันก็ร่างกายเหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกัน มีผมขเนเล็ดปนหางนนเนื้อเอ็นกระโดดนั้นกันแขนห้านี่มันไม่ได้เป็นทำหนือเป็นเกี่ยวแต่มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือของทำก็ได้ของเกี่ยวก็ได้เหมือนกับมีบมีดนี่เราจะเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ทําประโยชน์ไปตัดไม้ไปหั่นเนื้อหั่นผักทําอาหารก็ได้เนือจะเอาไปท่าคมก็ได้มันก็มีดอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นขังนี่ไม่ได้เป็นตัวตัวสําคัญตัวสําคัญก็คือใจใจก็ก็อยู่ที่ว่าอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมะหรืออยู่ใต้อำนาจของกิเลสหรืออธรรมถ้าอยู่ภายใต้ของกิเลสอย่างที่พวกเราเป็นอยู่นี้มันก็ทําในสิ่งต่างๆทางนี้ผิดบ้างถูกบ้าง ถ้าทำแบบพระพุทธเจ้าพระพะ า, ารังส่าก็ทำแต่สิ่งที่ถูก อ, อย่างเดียวก็กลายเป็นผู้ที่ความหน้าเขาร็อเดยนใจฉะนั้นถึงแม้ว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมเกล็ดแล้วจิตถ้าขาดยังไม่ดับเคยถ้ายังร่างกายยังไม่ตายขาัดก็ยังต้องทำงานกันอยทีอยู่ที่ว่าจิตดวงนั้นจะเอาไปทำประโยชน์หรือไม่ ท่านก็เป şey ็นภาะปฏิเสธกับพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าที่เกียรติสอนท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่ต้องใช้ขันต์มามาถอยแผ่ศาสนาท่านก็อยู่ท่านไปตามอัตภาพตามมันท่านไปมนมนหนึ่งแต่ถ้าจะมาสั่งสอนประกาศศาสนาก็อย่างของพุทธเจ้าแล้วก็ต้องใช้ขันต์ข่านเราไปโตรวจสาธิบินทบาตรต้องพูดเวลาพูดก็ต้องคิด การมีสัญญาทถานการณ์างานคือทางเราเองมสัญญาที่มีทั้งฝ่ายทำและฝ่ายอธะทำเนี่ยนะในปุตชนกับป้ารหันเนี่ยก็แตกต่างในความตั้งใจที่ ท, ที่ที่รับได้หรือรับไม่ได้อย่างนี้นนครับอย่งเช่นปุตชนเนี่ยอสัญญาที่เกี่ยวความไม่ดีเนี่ยมันมักจะผุดขึ้นมาทําทำํำรบกวนตัวเราเองอยู่เสมนะอมเราต้องคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราเป็นคนเขียนโปรแกรมเราต้องเปลี่ยน โปรแกรมไหนพอมันจะคิดได้เรื่องไม่ดีก็ลบมันออกลบมันออกไปให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งทีเราจึงต้องมาภาวนาหมดเรื่องน้ำตาเราต้องมาเราต้องมาภาวนาเมตตาสัตย์ตาต า, าเวลาของจุวนี้เออมา เราต้องมาไปไปไปนะครับมีเสียงหายไหมไม่เป็นไรต้องเปิดไฟไมต้องเปิด ไฟมีไฟเงิดๆ ไ, ไม่ดังเลยไม่ใังสัญญาทั้งไฟไฟธรรมและธรรเนี่ยนะครับเวลาปิ่นพบปิ่นชาติเนี่ยมันไปไตกับจิตเนี่ยทั้งสองอย่า ง, งเลยนะครับ เครื่องขันนี่มันมาออกมาจากจิตไงนามขันนี้มันเป็นเหมืกับเป็นเครื่องมือของจิตเวลาจิตที่จะติดกับใครก็ต้องอาศัยขันนี้เป็นตัวตัวเรต้องคิดแล้วก็แล้วก็พูดออกมาขันขานนอกจิตก่อนงั้นยาต้องนึกก่อนว่าเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรเรื่องเพราะเลยขันยาเอนึกแล้วก็แล้วสังขารก็เริ่มพรุงไปตามนั้นรืวันนี้จะพูดเรื่องสติปัญฐาสี่ กันก็ไปเรื่องสติปัฏฐานสืน่อมันมีอะไรบ้างพูดออกมาพูดออกมาพูดพูดแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็ดับไปหายไปหายไปสัญญาสังขารว่าเกิดดับเกิดดับอย่างนี้อย่างนี้แต่มันจะถูกฝังอยู่ในใจเราเรื่องใดที่เราจําได้แนละ้วมันก็จะอยู่ในใจเรากลายเป็นนิสัยไปถ้าเราเคยคิดแต่สิ่งที่ดีมันก็จะคิดแต่สิ่งที่ดี <Okay. S 1> ถ้าเราเคยคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดี จิตของคนเราเวลาเกิดมาจึงมีจระเข้นิสัยไม่เหมือนกันพ่อแม่คนเดียวกันแต่ไม่ได้เอาจระเนิสัยมาจากพ่อแม่ท่านจึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตน ม, มีกรรมเป็นผู้ให้กำเน <c ười> คือกรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นคนแบบนี้มีนิสัยแบบนี้ชอบแบบนี้เกลียดแบบนี้ขยันขี้เกียดแบบนี้ก็เราเป็นคนทํามาทั้งสสร้างมาทั้งนะงคือกรรมของเราที่เราเคยทํามา แต่กรรมที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยเราพยายามฝึกฝนใหม่อกตัณฑ์ใจก็เปลี่ยนแปลได้ก็เปลี่ยนได้ถ้าเราเคยรู้ว่าเรากินเหล้ามันไม่ดีเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่เคยเจอสาสตร์ธรรมเอยู่ในสังคมที่เขากินเหล้าอย่างฝรั่งเขาเขาต้องกินวางกับอาหารอย่างนี้แถ้าเรามาศึกษาเรารู้ว่าเออมันไม่ดีอย่าไปกินต่อไปเราก็ไม่ติดเลย แต่ตอนที่เปลี่ยนวิสัยนี่มันทรมาร์ดด<ม>ันั้นเลยเคยทำมาแล้วแล้วไม่ได้ทำนีนสนุนใจอย่ า, ง, ายยงกินอาหารกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนี่มันกินไม่ลงไม่อรอ่อยเออเวลาเราภาวนาแล้ว <networks> ก <c oughs> ็จิตนิ่งรวมแล้วกายกายเนี่ยกายเบาแล้วนะพอหลังจากที่เราออกจากการโควิดนั้นนะมันต้องมีสุิใิานะเวทนาเกิด เหมือนเดิมแล้วกลับมาเหมือนเป็นปกติก็ก็ไม่ได้ภาวนาต่อแล้วก็ลุกไปเพื่อจะไปทํางานแต่ความเบาของใจเนี่ยมันจะมอยู่ตลอดเวลาหลายที่มีอันนี้ไม่เป็นอาการของอะไรมันก็เป็นนิสัยของความสเฉยของใจที่มันยังไม่จางไปยังไม่หมดันอ่ามันจะมันจะอยู่ไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทํามากน้อยเท่ก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินอิ่มความอิ่มมันก็ไม่ได้หายไปทันทีมันก็ค่อยๆหายไปหายไป ความสงคบความอิ่มหนใจที่ได้จากการนั่งก็เหมือนกันพอออกจากสมาธิแลมมันก็ไม่หายไป ท, ทันทีแต่มันก็ค่อยๆจางลงไปขึ้นอยู่กับว่าเราเอาจิตไปใช้อะไรเราเอาจิตไปคิดไปปรุงไปไปแต่งเอาเอาไม่เกิดอารมณ์ทุ่ท่านขึ้นมามันก็หายไปเลยแต่ถ้าเราประครับประคองไว้ไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรให้มีสติอยู่กับการกระทําของเราไม่ไปคิดเรื่องอะไรมื่อคืนก็อยู่กับเราได้นานขึ้น พ่าการไะทัพประกอบนิสติทําให้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องที่จะทําให้มันพุ่งสร้างขึ้นมามันเคยสงบอยู่อย่างไรมันก็จะสงบอยู่นั้นต่อไปได้ไอ้ที่มันไม่สงบเพราะเราไปไปห่วงมันเองพยายา้วพอไปเห็นพอไปเห็นเรื่องนั้นขึ้นมาก็เกิดความไวิตกวิดความกังวลขึ้นมาท่านหนึ่งบอกให้เจรารู้ปัจจณาออกนะพอกังวลกับเรื่องอะไรก็ต้องตัดมันตัดมันแไปกังวลทําไมเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราแล้วเราก็ต้องจากมันแล้ว ไอ้ที่นี้มันก็รักษาสมาธิรักษาควาสมสงบได้ในขณะที่เราไม่ต้องนั่งท่านท่านท่านหนึ่งบอกให้เจริญทั้งสองอย่างสลับกัน mm hmm. เวลาเอาอจากสมาี่ก็ให้เจริญวิปัสสนาควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตของเราเมื่อเรามีเวลาว่าเราก็จับมาสลับ mm hmm. นั่ง ท, ทําจิตให้สบาย mm hmm. ว่าถึงแม้ว่าเราเราจะใช้วิปัสสนามันก็เหื แล้วก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันเราก็กลับมาทําโยกทวดดูลมหายใจให้มันนิ่งให้มันสงเหมือนกับเราทํางานทั้งวันเราก็เหนื่อยเราก็อยากจะกลับมาบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนข้าแล้วก็นอนหลับพอตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นเบิบานก็ออกไปทํางานต่อการภาวนาก็อย่างเงี้ยระหว่างวิปัสสนากับสมาธิก็สลับกันเวลานั่งสมาธิก็อย่าไปคิดอะไรให้มันนิ่งให้มันสงบ ถ้ามันอยู่กับโทอยู่ก็อารมณ์อะไรที่เรากาหนดไล่ให้มันอยู่แล้วเมื่อมันสงบมันนิ่งได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปดึงมันออกมามันถ้ามันสงบแล้วมันอยู่ของมันเฉยๆอย่างนี้มันไม่ดิ้นรนไม่เอะมันไม่อยากจะออกก็ปล่อยมันนั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันอิ่ตัวแล้วมันก็จะเริ่มถอนออกมามันก็จะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เร้่มเริ่นคิดเริ่มตังอะไรก็ลุกขึ้นมาแต่เราต้องมีปัญญาคอยตามเราก็นําคอยกําหนด วิจังทุกขาา์กันนั่นแหละแต่เนี่ยไรก็พยายามมองให้เห็นว่ามันเป็นนิจังทุกขาา์กันนั่นแล้วมันจะไม่ทําให้จิตใจเราทิ้งท่างถ้าจะมีปัญญามีฉละรู้ทันเร็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะถอนอุปทานไม่ได้อุปทานนี้ต้องถอนด้วยปัญญาสมาธินี้เพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นเองถอนมันไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเห็นโทษต้องเห็นว่าสิ่งที่เราไปยึดไปนี้มัน เป็นโทษเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นความสุขไม่ได้เป็นความเจริญเมื่อเห็นแล้วมันก็จะถอนออกมานะถอยออกมานะปล่อยวางปล่อยวางก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์เวลาเราเห็นอะไรเราเพออยายามจะให้เข้าไปัวเองแบบหนักไปครับจำเป็นไหมใช่คืออย่าไปอันไหนที่เราดูแลได้รักษาได้ควกคันได้ก็ทําไป เพราะมันในชีวิตเราเช้เวลาเราขับรถเราจะปล่อยว่ามันมันอนิจจาทุกขานั้ตาก็ไม่ได้นะแล้วเราก็ดูแลแต่ถ้าเกิดมันสุดวิสัยรถมันมาชนเรารถมันยางแตกมันเกิดแหกโค้งนี้มันช่วยไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอนิจจานุขานะอะไรจะเกิดก็เกิดนะแต่ใจยังไม่ไม่วุ่นวายในขณะที่รถมันจะจะทิศคว่ำไปอะไรใจก็ยังเฉยได้ ถ้ามีนิจจังทุกขังหน้าตาก็รู้ถันแล้วปล่อยวางแต่นี่มันต้องก็ต้องเจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะพอเราเฉลี่ยพอตกใจแล้วมันมันมันมันเลืมหมดเลยมันลืมหมดเลยนิจาัทุกขางหน้าตาอะไรที่มันเร็วกว่าคือที่เป็นวัวปากค้อมันจะออกมาก่อนเลยส่วนใหญ่ก็คือความกลัวความตกใจ แตยังไงถ้าราคิดตรงนี้ม um, uh, ิตรใจย่างนี้ว่าให้สีศิลป์ว่าเราทำอะไรอยู่ก็ได้ชครับใช่ก็ฝึกไปก่อนเรื่อยๆเรื่องต้นก็ให้มีสติลอยู่กับสิ่งที่เราทําแล้วถ้ามีโอกาสคิดได้คิดว่าสิ่งที่เราทํานี่มันก็แค่ชั่วคราวนั่นเองทำได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ทำมันไม่ต้องไปทุกข์ไปกับมันบางคนทุกข์กับสิ่งที่เราทําอะทำแล้ต้องดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ถ้าไม่ได้ดีอย่างนั้นไม่ถูกใจนั้นก็วุ่นวายใจสร้างความทุกข์ให เพราะขาดปัญญาไม่คิดไม่มีปัญญาคอยประกอบเนี่ยเวลาทําอะไรทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ถ้ามันไม่ได้ดังใจก็ก็ช่างมันก็ได้แค่นี้ถูกทําได้แค่นี้พระอาจารย์ครับเวลาพระองค์รักษาเทพาสให้ฆ่าตีเล่เนี่ยอาการของการฆ่าตีเหล่ในระหว่างที่ ภาวนาหรือในหลวงที่พิัารนาเนี่ยอินทียมันควรจะทํามีอาการยังไงครับก็ทีแรกที่ต้องค่ามันตอนที่มันออกตอนที่มันออกมาเช่นเวลามันโกรธปักก็ต้องฆ่ามันตอนนั้นก็ต้องระงับความโกรธตอนนั้นเวลาโลคก็ต้องระงับมันตอนนั้นอย่างแรกคือพิจารณาให้เห็นครับก่อนให้เห็นว่ามันเป็นโทษอ่ามันเป็นเหมือนกับเป็นงูพิษเนาะพอเจอมันปักก็เอาเอามีดฟันหัวมันเลย แต่เมื่อบาลาเห็นงูพิษตมีระดบิดหาอะไรคว้าฟาดมันเองไหมหมายถึงไม่ปาดเหตุโดยโดยการมันเกิดตรงไหนเวลาไหนก็ต้องมา ง, งับแบบตอนนี้เพียงแต่ว่าจะทําได้ไหรือไม่ได้ก็เองถ้าทําได้ก็สบายก็ไม่ทุกไม่วุ่นวายใจแต่ถ้าทําไม่ได้มันก็วุ่นวายใจนันต้องฝึ ก, ก, ก, กนี่ยบางทีปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันกีน่เรื เราไม่รู้ว่าเรากําลังโลภเราไม่รู้ว่าเร า, า ก, รกําลังเกิดเราไหลไปตามความโลภไหลไปตามความโ ก, กนะิดเลยพอไปขับรถไปมีอุบัติเหตุก็ลงมาก็ด่าว่าเอ๊ะทําไมทําอย่างนี้ทําไมขับนี้เนี่ยไปแล้วนี่แต่เราไม่รู้ว่าเราโ ก, กนะ่ะ ถ้าไม่โกรธจริงๆก็เฉยมีอะไก็ว่าลงไปใช่สติคือสติการหลอนรอดูใ<ด>ช่สติเป็นตัวดูเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในกายกับในใจของเราเพราะอาจาจึงสองจัดให้มีสติอยู่ในกายอยู่ในเลืธนาอยู่ในจิตก็คืออารมณ์มแล้วก็อยู่ในธรรมว่าเราคิดไปในทางธรรมนี่เปี่ยถ้าเรามีสติอยู่ใน ในสี่ส่วนนี้ส่วนไดส่วนหนึ่งเราก็จะเราก็จะรู้ทันกับเหตุการณ์ที่มันจะมาเขย่าส้ความทุกข์หัหงขับใจเราแล้วเราก็จะแก้มันได้ถ้าอกจารจะกกเกิดในกรณีที่เกิดมันอยสัญญาในช่มันเกดขึ้ น, นระดับระดับระ่ันระดับดับนะมันก็บางทีหายไปเสร็จก็อีกระยะเวลาหนึ่งก็เกิดขึ้นมา เราก็จะเริ่มที่ปรัชนาว่ามันมีการเกิดดับเป็นธรรมดา <Okay. S 1> ถ้าเรายังไม่สามารถดับมันได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปหลงตามมันทั้งนั้นไม่ว่าเราจะมีวิธีเบีบ่ยงเบนจิตของเราก็คือเราอย่าไปสนใจแล้วเราหันมาบริกรรมพุทโธทุโทโธนิวสวดมนตไปก็ได้เหมือนกับเราเบี่ยงความสนใจของเราจากความกลัวหรือจากทุกขเวทนาแล้วก็สามารถเบี่ยง ความสนใจของเราจากไอ้สัญญาที่มันปรากฏขึ้นมาบางทีไม่ถึงคนนั้นไม่อยากจะค่าคนนั้นอยู่เรื่อยอเงี้มันก็ปรากฏอยู่ัรืนอยแล้วก็อยากไปสนใจรู้ว่ารู้ว่ามันเป็นเป็นขันขันนั้นก็เกินดับเกินดับไปมันก็เป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้บางทีเราก็บังคับได้บางทีเราก็รับบังคับมันไม่ได้ถ้าบังคับไม่ได้ก็อย่าไปสนใจกับมันเองแต่ว่าให้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วเราอย่าไปไปไปตามมันก็แล้วกัน ถ้ามันมยุยงยาให้เราไปทําบาปทำกรรมนี้เราก็ไม่ไปให้รู้ทันันแล้วอยากไปทุกข์กับมันแต่ไปอยากให้มันหายไปอาจารย์บางทีมันเราไม่มีอํานาจที่จะไปบังคับให้มันหายไปได้วิธีเดียวนี่จะทําให้มันหายไปได้ดไไดคือให้รู้ทันมันรูพอเรารู้ตั้งมันก็จะดับไปแต่แบบพอเราเผลอพลามันก็จะเกิดขึ้นมาได้อีก <c oughs> อารครับสติที่ถูกต้องคือสติกับปัจจุบันเท่านั้นใชครับใช่ก็ต้องมีการรู้เห็นเลือดลาวแต่เรรู้ปัจจุบันโดยหลักแล้วเราก็ให้อยู่ในปัจจุบันยกเว้นเวลาที่เราจะเจริญปัญญานี้บางทีเราต้องดูทั้งสามตอนมีทั้งอดีตยู่ทั้งปัจจุบันและดูทั้งอนาคตเพื่อจะได้ให้เข้าเห็นภาพรวมที่แท้จริงเวลาต้องกําหนดเกิดแก่เกิบตายเราก็กําหนดมีถอยไปว่าตอนที่เราเกิดมา เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากธาตุของคุณพ่อคุณแม่มาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นเด็กทารกแล้วก็จะเริเ่มต่อมาจนถึงเป็นที่เป็นอยู่อย่างวันนี้แล้วก็เลยต่อไปถรงวันทั้งน้นว่าจะต้องแก่จะต้องตายจะต้องไปอยู่ในโรงศพจะต้องถูกข้าเผากายเป็นที่เถ้าที่ถ่ามไปถ้าอย่างนี้นี่ก็เป็นการเจริญปัญญาถ้าปัญญานี้มันจะต้องไปไปให้ครบเลยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคต แต่มันจะอยู่ในปัจจุบันคือเราจะคิดอยู่ในปัจจุบันกับเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดมาแล้วและจะต้องเกิดขึ้นต่อไปเพื่อเราจะได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรการพิจารณาร่างกายให้เห็นก็เพื่อจะให้เห็นว่ามันเป็นสภาพของธาตุสีดินน้ำไฟมาจากธาตุแล้วมันก็จะกลับไปสู่ธาตุไม่เห็นแล้วต่อไปแล้วก็ไม่หลงว่าเป็นเราเป็นตัวเราให้เราเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกมาเอาผมมาตัดผมามาวางไว้แล้วดูมันเป็นอะไร มันก็เป็นแค่วัตถุเป็นภาตุที่หนึ่งเท่านั้นเผามันมันก็กลายเป็นที่เท่าไปแล้วอาการทุกส่วนมันก็เหมือนกันน่าถ้าสมมติเราส า, ามารถตัดออกมาได้ตัดออกมาได้มาวางไว้เอามาเผาวมันก็จะเป็นอย่างเป็นแค่วัตถุที่หนึ่งเท่านั้นมันจะไม่มีตัวมีตนอยู่เลยนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุไม่มีตัวไม่มีตนทางกายถ้าอย่างนี้ต้องพิจารณาแบบทุกส่วนทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคต แต่ถ้าเวลาจเจริญสติโดยทั่วไปนี้หมายถึงให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปทุ่มทุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องนูเง้เรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เียกเว้นว่าเรามีธุระจำเป็นจะต้องทิศก็ทิศได้คิดแล้วก็คิดให้เป็นปิดจักษณะ้ิศเสร็จแล้วก็เหมือนกับจบพิดว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างจะไปเจอใครจะทําอะไรก็รู้แล้วก็จบถ้าถึงเวลาก็ไปทํำเลย แต้ไม่ต้องมานั่งกังวลโอ้ไม่อยากจเจอคนนั้นเลยไม่อยากจเจอคนนี้เลยให้คนนั้นมาเถึงมันก็พูดเลิงนั่นเพื่อนี้หน้ารำคาญใจที่ไปนี้เสียเวลาหรอกครับในปัจจุบันถ้าไม่มีความจำเป็นต้องทิ้งอะไรก็ให้หนึ่งว่าง น, นะเป็นการทําสมาธิไปในตัวคือถ้าไม่ทิ้งไปเรากลับเข้าสู่สมาธิ ออแล้วก็ดูมีเอพจนจะสมาธิมาาพิจารณาทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในใจลัทธินักนเองแต่เราจะมองเห็นไม่ได้นีนมีคำถามเยอะดีนะ มันเป็นคำถามถามมาได้นะถ้าอยากจะถามยัไงก็ถามยังไงแตอบได้ไม่ได้เลยก็ไม่ได้อาจารย์คะบางทีเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผุดขึ้นมาอยู่ด้วยบางทีสิ่งที่เราควรจะกระทําแล้วเราลืมไปแล้วเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยตอนนั้นเราอยากไปสนใจพอตอนนี้เรามีหน้าที่ทําสมาธิเราก็ทำแล้เฉลี่ยเมื่องหวังนต่กล่อง งานทำสมาธิมีสำคัญกว่างานอย่างอื่นเราประหยากไปสนใจอย่างกลับมาหาที่พุทโธถ้าเราปล่อยให้มันไปผุดขึ้นมาแล้วไปไปเฝ้าไปตามมันมันก็ไม่ได้ทำสมาธิล้วมันมานั่งนั่งนั่งคิดแต่เรื่องที่อีมันขเงีที่ไม่จำเป็นที่จะไม่ทำให้ใจเราสงบที่จะทำให้ใจเราไม่สงบในเวลาทำสมาธิที่ต้องไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากอารมณ์ที่เรา ใช้เป็นเครื่องผูกใจผูกใจเราถ้าไม่มีอะไรผูกไว้มันก็จะไปเรื่อยๆมีอะไรผลกขึ้นมามันก็จะคิดไหลาตามไปเรื่องนั้นเราจึงต้องมีอะไรเป็นหลักไปเช่นถ้าเราจะพุทโธก็เอาพุทโธอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรเลยแต่สวดมนต์ก็สวดมนต์ไปอย่างเดียวอยู่กับบทสวดสวนมนต์นั้นจะดูลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจแต่ลมหายใจนี้ถ้าอยากจะมีพุทโธกำกับพวกผู้ไปด้วยก็ได้บางคนชอบหายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่าโทอย่างนี้ก็ได้เมื่อหายใจเข้าก็พุโทโธหายใจออกก็พุโทโธอย่างนี้ก็ได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบจะเอาแต่พุทโทอย่างเดียวไม่มีลมก็ได้หรือจะเอาลมอย่างเดียวไม่มีพุทโทก็ได้เอแต่ให้เรารู้ว่าเราจะเอาอะไรทักอย่างแล้วก็ให้มันเอาอย่างนั้นไปถ้าจะดูลมก็ดูอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าลมออกแต่ดูตรงจุดที่มันสัมผัสตอนเข้าตอนออกตรงแถวปลายจมูก เพ่งอย่าอย่าอย่าเลื่อนอย่าอย่าตามลงไปก็าตามต้องเข้าออ ก, ออกจิตมันจะไม่สงบให้มันอยู่ที่จุดเดียวจิตใดจุดหนึ่งบางคนเห็นว่ามันมันชัดอยู่ที่กลางกลางอกก็ดูที่กลางอกก็ได้อย่างพวงยุบหอ่อพองหอ่อก็อ่านหายใจเข้ามันก็คล้องออกมาที่กลาง อ, อกหายใจออกมันก็ยุบลงไปสุดแท้แต่ว่าเราจะถนับอย่างไรอย่าแงบบไหนก็ทําแบบนั้นไป แต่ให้มันมีอย่างเดียวสบายก็คือไม่ต้องการให้มันไปคิดถึงเรื่องเรากันไปถ้ามีเรื่องแทรกเข้ามาก็อยากไปสนใจเหมนเานั่งคุยกันตอนเนี้ยใครโทรศัพท์เข้ามาก็ไม่ต้องไปไ ม, ไม่ต้องไปรับสายไยมันดังไปพักเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้าเราตั้งใจคุยกันไปเรื่อยๆมันก็ไม่มารบกวนเราถ้าไม่งั้นเดี๋ยวใครโทรปั๊บคุยกันเไม่รู้คุยอะไรกันอยู่นี่ก็ไปรับสายละ บาอยารู้ว่าลูกพอลมาุกโชว์หว่าจเอาไปทําบที่รต่างๆแล้วจริงเนี่ยจะเาพระอาจารย์น้ำแดงสมัคที่าทีจะเป็นพีกหมอพ่อหนอหรือไม่ก็สัมมาอรหันหน่อย้มันก็มอตรวเงนี่ไม่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยเราก็ทำของเราไปเลยเราเป็นขนาดเราเรก็ทาของเราไป ไม่มีใครก็รู้แหละว่าเราทำอะไรอยู่ในใจเวลาเวลาต้พูดออกมาโพลแล้วเราก็เราก็เปลี่ยนเองถ้าถ้ามันสับสนมันมันมันทวงความเจริญก็อย่าไปก็ต้องไปที่ที่เป็นส่งเสริมความเจริญยกไม่ใช่หมครับว่าท่านไม่ดีไม่ถือแต่ว่ามันอาจจะคนละวิธีกันเทนั้นเองคนเราถนัด อย่างหนึ่งแล้วต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไม่ไมขนะดก็จะไม่ได้ผลเั้นถ้าเราถนัดอย่างใดเราก็ทําอย่างนั้นแล้วก็ไปหาคนที่เขาทําสอนแบบเดียวกันท่านหนงบอกว่าบุคคลาก็บุคคลสัพายะแล้วคนที่เราอยู่ร่วมปฏิบัติด้วยต้องมีแนวทางเหมือนกันมีสบายคลายกันที่ดีที่มีลักษณะที่ก็าจัด อบรมกรรมฐานที่เป็นรุ่นๆนะคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวาสนอไปคอร์สเงี้ยนะก็ต้งมีแบบอนุบาลนะมั้งบางทีถ้าว่ายังยังทําเองไม่ได้ก็ต้องมีแค่ๆว่ามีกําหนดเวลาบังคับ <c oughs> แต่ถ้าคนที่ภาวนาแล้วมีวินัยในตัวเองก็ทําอยู่ที่บ้า น, นดีที่สุดหรือทำอยู่ที่สงบที่สนุบไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไ ป, ไ ป, ไปกับทํากับคนมากๆแต่บางคนยังทําไม่เป็น อยู่บ้านก็ไม่ทำต้องอาศัยมีกิจกรรมมีตารางเดินเดินตารางนี่เนื้องกงูอีดตื่นขึ้นมาล้างางก็ไม่เชิงอ่ะบางคนเขาไม่มีวินัยเขาก็ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเป็นผู้คอยแต่มันจะได้ผลไม่ได้ผลก็มันก็ไม่รู้เพราะบางทีเวลาไปทำก็ทำได้ แต่พอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอย่างนี้ก็ไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าเราไปทําแล้วกลับมาแล้วเราสามารถเอาสิ่งที่เราไปเรียนรู้นั้นมาทําต่อที่บ้านได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเพราะถ้ายิ่งปฏิบัติจเจริญไปเท่าไหรนะ่นั้วมันต้องการจะปิดที่เวทเพราะว่ามันอยู่คนมากมากแล้วมันจะรบ ก, กวนมันจะขัดขวางการทําสมาธิเพราะว่าปัจจัยที่จะทําให้จิตสงบก็คือกายวิเวทถ้ากายวิเวทจิตตัววิเวท ตา ม, มาความนั้นเบื้องต้นเราต้องหาสถานที่สงบสงบทีบม่ม่ไม่มีอะไรมารบกวนแต่คนที่ระดับจิตที่ยังพุ่งสร้างอยู่เขาวิเวก ไ, ได้วิเวกแล้วเขากลัว <c oughs> เขาก็ต้องอยู่กับคนในกลุ่มใหญ่ก่อนเกาะกันไปก่อนจนกว่าจิตได้รับการพัฒนาแล้วได้รับความสงบเมื่อได้รับกามสมบรสงบแล้วทีนี้เขาก็จะเขาจะเขาจะรู้เองเ้าจะติดตัวไปเอง เขาเวลานั่งทำอะไรรวมกันนี้บางทีเขามีกำหนดให้นั่งชั่วโมงอย่างนี้แต่เราบางทีเราอยากจะนั่งสองชั่วโมงก็นั่งไม่ได้ละลูกอังตะนังใจเล่นสุดท้ายไหมค่ะพูดถึงศัพท์ใบยะซึ่งมีทั้งหลายอย่างใช่ไหมคะมีสัพทยะแปลว่าสบายการปฏิบัตินี้มันก็ต้องมีความสบายทางด้านสถานที่ที่อ ย, อยู่แล้วมันสบายก็่ไม่ไม่รบกวน เรื่องความสงบใช่ไหมถ้าเราภาวนาที่สงบกับภาวนาที่ไม่สงบนี้มันมีความแตกต่างกันอาหารที่เราไปรับพระอาหารที่เรารับประทานก็มีส่วนเราเป็นคนภาคกลางไปอยู่ทางภาคอีสานนี่บางทีมันอาจจะลําบากหน่อยเพราะอาหารเราไม่เคยกินกินแล้วมันอาจจะกินไม่ค่อยอิ่มหรืออะไรอย่างนี้ไม่กินแล้วกินไม่ลง แต่ของบางอย่างนี้ก็พอปรับได้เนื่อาหารนี้ถ้าต้องการถ้าต้องการจะปฏิบัติจริงๆก็พอที่จะปรับได้เขากินได้แ้ววก็กินได้ที่นี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือขอให้กินแล้วมันไม่ท้องเสียมันไม่มารบกวนเวลาที่เราจะนั่งสมาธิกิน้วไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยั น, นสถานที่ก็เหมือนกันบางสถานที่ก็อาจจะไม่เหมาะบบางคน พราะบางทีไปอยู่แล้วมันอับชื้นเน้วเกิดเป็นไข้บางคนชอบที่อยากชื้นก็ไม่เป็นปัญหาบางคนไม่ชอบก็มีปัญหาบางคนชอบที่ที่โล่งบางคนชอบที่ที่แคบบางคนชอบอยู่ในถ้าบางคนชอบอยู่ตามที่โลง่โลงๆอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตหลักของแต่ละคนความสัตยะของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน ก็เลือกได้มีสถานที่มีบุคคลบุคคล น, นี้เลือกมันบน่อยบุคคลที่สําคัญที่สุดก็คืออาจารย์เขาเรียกกัรยาไมิตกกราาถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ที่ดีถึงแม้ว่าอย่างอื่นจะไม่ดีไม่สบายเท่าก็พอถือไถไ่ายไปได้เพราะไม่มีอะไรจะสําคัญเท่ากับกูบาอาจารย์ที่จะให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งความรู้กับเราถ้าได้กูบาอาจารย์ที่ดีแล้วถึงแม้ว่าอาหารจะ กินไม่ค่อยได้อย่างภาคหลังเนี่ยเขาจะอยู่แับหลงตาอย่างเงี้ยอาหารเขาเขไม่เคยกินอาหารอี้มาก่อนนะเขาิเขาก็อยู่ได้เพราไม่เคยอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนเขาก็อยู่ได้ฝลังเขาก็เกิดมาอยู่ท่ามกลางความสุขอยู่แล้วบ้านเขาก็มีทุกอย่างมีเครื่องตัดความร้อนตัดความหนาวมีน้ำไฟทอทุกอย่างแต่เขาก็เขาก็สละได้เพราะเขาต้องการสิ่งที่มันดีกว่า แล้วสิ่งที่จะทำให้เขาได้สิ่งนี้ก็คือคือบาอาจารย์เพราะฉะนั้นบุคลบคลสัพท์ยะข้อสําคัญก็คืออาจารย์ถ้าไม่มีอาจารย์ก็เพื่อนเพื่อนปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งกับเราอยู่กับเขาเราก็ได้ประโยชน์ถ้าเขาไม่เก่งไม่ฉลาดเท่าเราเขาไม่พอนามากกว่าเรานี้น้อยกว่าเรานี้บางทีก็จะมาชวนเราคุยชวนเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เราเสียเวลาได้ เราก็ต้องเลือกดูว่าคนที่เราอยู่ด้วยเพราะโดยปกติเราถ้าคนจะเยิ่งตามลำพังไปตลอดไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างที่อยู่ในวัดก็ต้องอยู่กันหลายคนถ้าเรารู้ว่าคนนี้เขาไม่ทอนเราถ้าเราหยุดเลี่ยงเขาได้แล้วก็หยุดเลี่ยงไปก็ได้บางทีมันจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันแต่ก็มันจาเป็นจะต้องสังงกรรมกันตลอดเวลาทําในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําร่วมกันเวลาที่ไม่มีความจําเป็นก็แยกย้ายกันไปนที่เสร็จ ที่บรรดานี่ท่านจะเน้นให้พระเราก็ยากย้ายกันไปคือไม่ให้เกาะขุมกันเวลามาทําอะไรก็ทําเสร็จแล้วก็ให้ยากกันตอนเช้ามาฉันฉันเสร็จก็ให้ยากกันตอนบ่ายมาฉันน้ําน้อนฉันเสร็จก็ให้ยากป่ปไม่ให้มานั่งคุยฉันน้ำร้อนคุยกันไปตอนนี้เราเดิมาตรวจที่รองน้ําน้อนอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้ามาข้างหน้าเห็นหน้าแล้วมาข้างที่สองยังเห็นอยู่เดี๋ยวโดนนะ <c oughs> การพระชาวต่างประเทศที่อยู่กับหลวงตาเนี่ยตอนอยู่เนี่ยเรื่องการภาษาที่ใช้เนี่ยหลังก็ไม่คุ้นภาษาไทยก็ยเเไม่ยู้ยสึกว่าไม่ทราบใครท่านพูดอยู่แล้วว่าหมามันพังภาษาไทยภาษาคนไม่ได้เรายังสอนมันได้เลยาาภาษาใจมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ภาษาและปีรยาการแค่นี้มันก็รู้อยู่แล้ว แต่ถ้าเรื่องเป็นธรรมะที่ลึกๆก็ต้องอาศัยคนที่แปลให้ได้ก็ตอนนั้นก็มีท่านปัญญาคอยแปแลเวลาหลวงตาท่านเทศเสถ้าท่านปัญญาก็จะ ส, สรุปให้ฟังว่าวันนี้หลวงตาท่านพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็พอที่จะได้เกิดความรู้บ้างแล้วบางทีตอนนั้นเราอยู่เราก็ช่วยแปลหนังสือบางเล่อให้เขาอ่านกันหรือบางครั้งที่ท่านเทศแล้วก็แปลเป็นภอกสารเกฤษให้เขาฟังกันอืม เพราะว่าธรรมะนี้มันละเอียดไมันเป็นงานมาทำมันจะแสดงอาการอย่างเดียวนี้มันไม่พอนะงั้นพวกเกิดนักเป็นสุนัขมันจึงไม่มีบุญไม่มีโอกาสที่จะได้รับธรรมะจะต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ไม่มีสุนัขที่เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะพระุทธเจ้าจะตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาเจอพระพุทธเจ้า ไ, ได้เจอพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชคสองโชคที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดไม่เกิดได้ง่ายๆนะทางน้าการรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่เจอศาสนาผู้ก็ได้ mm hmm. ลองคิดดูสิลองไปเกิดอยู่แถวประเทศที่เขามีการต่อสู้กัน mm hmm. ไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นมีแต่จะห้ามมีแต่จะฆ่ากันเอาแพ้เอาชนะกันอยู่ตลอดเวลา นี่โอกาสที่เราจะหลงไปทางอวิชาก็มีมากใช่ถ้าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนอยู่แล้วพอมีอะไรมาฉุดลากไปก็ไปเขาแต่ถ้าเป็นคนที่ได้สะสมปัญญามามากพอสมควรแล้วจะไม่มีอะไรเดินไปได้อย่างเราก็เรียนหนังสือที่เ ร, เรียนคริสมาตั้งแปดปีเขาก็ซ่ามสอนอยู่ทุกวันเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอะไรต่างเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ไม่รบเลยนะเราก็ศึกษาล้วก็ ส่วนหนที่เราเห็นว่าดีเราก็แล้วก็เราก็เอามาใช้ปฏิบัือด้านศีลด้านทานนี่เขาก็สอนอยู่แต่ด้านด้านปัญญา น, นี่เขาจะค่อนข้างที่จะไม่ไม่ลึกซึงเหมือนทางศาสนาพุทธเรื่องที่เขาว่าพราะเจ้าสร้างโลกขึ้นอย่างนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะมาพิสูจน์ได้แล้วเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องที่ว่าพระเยซูท่านมาถ่ายบาปให้เราเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้ มันก็ไม่มีเห็นไม่มีผลพี่คนคนหนึ่งสามารถถ่ายบาปให้กับคนอื่นได้มันก็เราก็รับไม่ได้เราก็รับไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้ไปบอกเขาว่ามันไม่ถูกไม่อะไรเราไม่ไม่อแล้วก็แต่เรารู้อยู่ในใจเวลั้งหมเขไม่อยู่เข้ามาตั้งแปดปีเก็ไม่เคยไปไปเป็นเขาก็พยายามที่จะให้เราเป็นให้ได้ แต่ราก็บอกว่าเราไม่พร้มเพราะตอนนั้นเรางคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เชื่อในาศาสตร์าสนาทุกอย่างก็ไม่พร้มเชื่อในทางวิทย า, าศาสตร์ก็เชื่อตามหลักเหตุผลเชื่อในสิ่งที่เราพิจารได้แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นพระมาบวชอะไรสักทนก็คิดว่าจะเรียนหะนสจบก็ทำมาหากินอะไรไป แต่มันไม่ทราบมันอาจจะเป็นบุนเก่าอะไรมันก็คอยพักให้เราหาสี่งอเพราะเมื่อมาจบแล้วมานั่งคิดอยู่ว่าจบแล้วมาทํามาทํางานมีครอบครัวมันก็เหมือนกับพ่อกับแม่เรามันก็มีท่านั้นเนี่ยหาเงินหาทองได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าส่งลูกสง่กสงลูกเต้าไปเรยนหะนังสือมาปวดหัวกับมนะันมาทุกกับมันแล้วเราก็แก่ตายไปมันก็จบไม่มีอะไรมากกานั้นก็เลยสงสง สงสัยว่ามันไม่มีอะไรดีกันนี้เลยก็เลยได้พยายามศึกษาทางด้านศาสนาเลยว่าถ้าเสดที่มันอ่าศอ่เสพุทธขึ้นมาปั๊บก็ก็โอก็เกิดความดีใจที่เห็นว่าโอ้มีคนที่ชี้ทางให้ชีวิธีที่เราจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของเราได้ อยู่ถึงแม้เราจะเรียนจบเป็นยาวมามีงานมีการทํามีเงินมีทองจารย์มันก็ยังเหมือนเดิมมีความห่วงใยมีความกังวลอะไรอย่างไรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มีความวุ่นวายมีความสับสนใจมีความหิวมีความอยากอย่างไรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เลยสนใจอยากจะแก้ปัญหาทางด้านจิตใจมากกว่าก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำได้ปฏิบัติแล้วก็ในที่สุก็ได้มาดู เขอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยคิดว่าเสียอะไรไปขาดพอะไรไปบางคนก็าบอกศาสตร์ไปเรียนมาคือม า, ท า, าแทบเป็นแทบตายแล้วก็รู้ไม่ได้ไม่ไ้เอาไปใช้ให้เกิดเปลี่ยนแล้วเราที่ไปเรียนมามันก็ใช้ทําให้เรารู้ว่าทางนั้นมันเป็นอย่างไรไม่ว่ามันไม่ใช่ทางนั้นเองหรื่อเป็นทางตันเท่าไห เวาถ้ามันมีสองทางเราไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกเราก็ต้องเลือกทั้งสองทางดูจะเดียรซ้ายไปจะมยเจ้ามันเป็นยังไงอะไรเยอะไปแล้วไม่ได้เรื่องแล้วก็เราก็ถอยกลับแล้วก็ไปอีกทาง ไม่ได้ให้ไปอยู่ไม่ได้ให้ไปแตเป็นแค่ข่าวคุณบาอาจารย์ที่แท้จริงอยู่ในใจเราอยู่ในคําสอนของท่านไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายของท่านในสมัยนี้เรามีอาจารย์อยู่ในบ้านเราตลอดเวลาเทปของท่านเยอะๆขนาดนั้ซีดีของท่านมากมายมีทั้งภาพมีทั้งเสียงให้ดูอยู่ตลอดเวลาเคยเปิดดูเคยเปิดฟังกันบ้างหรือเปล่าเ็นใหญ่มันชอบไปข้างนอกเพราะว่าใจมันยังอยากออกอยู่ แต่ถ้าธรรมลนล้วนๆเราอยู่ที่บ้านเราเหนื่อยเสือละนานๆไปแักครั้งหนึ่งก็ได้การปฏิบัติไม่ได้มาครับว่าจะต้องเกาะชายผ้าเหลืองของท่านอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสแล้วว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองเราแต่เธอไม่เธอไม่ปฏิบัติเลยเธอก็ห่างไกลจากเราเป็นโยนต์ในทางตรงกันข้ามถึงแม้เธอจะห่างไกลจากเราเป็นโยต์แต่เธอปฏิบัติอยู่ทุกขณะเธอก็ไม่ห่างไกลจากเราเลย เราก็สงสัยว่าผู้ที่เห็นธรรมผู้นั้นคือผู้เห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมว่าคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมทัม้ทงนังนั้นอย่าไปคิดว่าคนที่อยู่เกาะติดท้ายก็เหล่งของท่านแล้วจะได้ดีบางทีก็จะเด็นพวกแบบใกล้เคยียงจริงดังคือเกาะท่านแต่ไม่ได้เกาะธรรมะไม่ได้ไปหวังธรรมะ แต่มีความสุขกับการเหมือนกับการดูการแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเี้เห็น <c oughs> <c oughs> หน้าท่านเล่าเกิดความสุขขึ้นมา <c oughs> เป็นท่านพูดท่านจามีความสุขแต่ไม่เคยเอาธรรมะที่ท่านสอนมาคิดมาปฏิบัติอย่งเงยนี่น <c oughs> ก็เป็นพวกไปถ้าเป็นพวกที่ติดเนี่ยติดติดครูบาอาจารย์ต้องเห็นหน้าเห็นตาทุกวันทุกวีทุกวันทุกเช้าทุกเย็น แค่ต้องทัสถมนี่มันจะได้อะไรเลยไม่นยมือนกับฝั่งไทยเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตค่ะเรื่อนาทุกเช้าอินเทอร์เน็ตตอนนี้วิธีเวลาขับรถลูกก็เปิดการกระหน่ำเลยการอยู่ใกล้ชิก็ไม่ช่อาเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพียงแต่ว่าต้องเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เกิที่จะพูดนี้ก็พูดตรงที่ตัวปฏิบัตินี้ตลอดอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สําคัญ ได้ปฏิบัติหรือเปล่าหลวงปู่ม่นท่านอยู่คนเดียวก็มีคนถามท่านว่าแล้วเวลาท่านมีปัญหาท่านจะไปถามใครหลวงปู่ม่านท่านก็บอกว่ากระผมฟังเทศอยู่ตลอดเวลาฟังธรรมอตลอดเวลาติดที่พิจารณาด้วยปัญญาเ น, นี่ยก็เป็นการเป็นการทําธรรมในตัวธรรมะมันอยู่ในใจนะพระไตรปิฎกที่ออกมาจากพระพุทธเจ้ามันก็ออกมาจากใจของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ออกมาจากที่ไหนถ้าเราไม่ค้นหาธรรมะในใจเราก็ไม่เจอจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์กี่สิบรุ่นกี่สิบองค์ก็จะไม่เจอธรรมะครูบาอาจารย์ทุงรุ่นท่านก็จะชี้กลับมาให้มาหาที่ใจเราทั้งนั้นนะเราฟังเทศน์ของท่านดูท่านสอนให้เราทำอะไรท่านก็สอนให้เรากลับมาภาวนานะ แต่เราก็ยันไปที่เกาะที่ตัวท่านอยู่นั่นนะท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องรีบตามไปท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรใช่ไหมถ้าสุดท้ายแลอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัตินี่ยนั่นก็กลับมาที่เดิมเพราะเราไม่เห็นผลไม่เห็นผลก็ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ปฏิบัติไม่เห็นผลก็ไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติ ก็ต้องแก้มันว่าอย่าไปท้อแท้เวลาท้อแท้ก็เหมือนอย่างวัวถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเหมือนถึงเวลากินข้าวถึงแม้จะไม่อยากจะกินก็ต้องกินไม่กินเดี๋ยวอดตายไม่ปฏิบัติเดี๋ยวก็ทุกตาย นั่นขนาดว่าเราทําความเคยชินในการปฏิบัติไว้เสมอเสมอเนี่ยอืไม่ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลก็ทําปเรือร่อยทุกวันทุกวันทําไปเรื่อยก็อยากคือปลาแบบเต่าก็ยังดีกว่าปแบบกระ ต, า, ตายกร<ม>ตายมันบางทีเวลาเวลาอยากจะทําก็ทําใหญ่เพอ<ม><ม>ไปทําก็เริกทําไป<ม><ม>อืมประมาณที่ว่าเราทำมามากพอแล้ว<ม>ทําไปเรื่อยๆทาตามกํากลังของเราแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนละคนเออจากน้อยใจหามาก อย่าไปอย่าไปทำมากกว่าที่เราทำได้แล้วมันจะทอ้อใครจะรู้ก่านก้าวหน้าให้ตัวเราเองใช่ไหมฮะวนเลได้เอช่นถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้นั่งสวนมนได้ไหมละ่ะสวดมนไปก่อนเลยเอาสักทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนั่งส่วนมันไปเนี้ยแล้วต่อไปมึนก็จะนั่งได้เองหรืมอ ม, <c oughs> มีทุกคนอ่ะถ้ามันไม่อยู่ที่ อยู่ที่เป็นใครหรอมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้หรือไม่คทั้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่วัยถ้าคุยกันก็รู้ถ้าคุยถ้าเร า, าบรรลุแล้วเขาบรรลุให้คุยกันตอนนี้เหมือนคนที่เคยไปเที่ยวฮ่องกงมาแล้วด้วยกันคุยก็รู้เลย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราไม่เคยไปเที่ยว ม, มาเขาบอเขามาพูดยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมาหรือเปล่าคนจะรู้ว่าคนคนคนมีภูมิภูมิธรรมยังไงก็อยู่ที่ชนนก็อยู่ที่เราถือว่าเรายังไม่มีภูมิธรรมแล้วคนที่เราพูดด้วยก็มีภูมิธรรมแล้วเราสามารถเอาเสิ่งที่เขาสอนมาปฏิบัติกันสามารถเห็นตามที่เขาพูดได้แล้วก็รู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีภูมิธรรมสูงกว่าเรา สามารถสอนให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นมาได้นี่คือวิธีพิสูจน์คนว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติด้วย <c oughs> ถ้าไมฉเชนนั้นก็ต้องรอเวลาตายไปแล้วก็ดูว่ากระดูกตายเปหน้าะทก่า <c oughs> <c oughs> แม้เมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกาปรปฏิบัติของเราเราจะทํายังไงเราก็ต้องรอรอรัะดูกใครไปก่อนแต่ผมว่านั่งอยู่ในสาลานี้ก็รู้แต่น่าจะมีวาสนาละไม่ไม่แน่เรกไม่มีใครรู้ว่าใครแต่งงนคนที่เงียบๆเนี่ยมักจะมีอะไรเยอะนะคนที่เงียบๆเขาแสดงเขารู้แล้ว คนที่ถามเก่งนี่ไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่คนที่ไม่ถามแสดงว่าเขาเขาเก่งคือเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ต้องถามต้องถวายของนะถ้าของถิ่นใดถิ่นอั้นแต่ถ้านี่เป็นถาวถายก็จะเป็นก็ถิ่นนั้น ปัจจัยนี้จะมี ป, จปจมัปจจัยส่วนหนึ่งเป็นกับถินอีกส่วนหนึ่งของถวายทา่านอาจารย์ก็คือเขียนไว้ครับเขียนไว้สอง ส, องสอง่งนัอกใ้ท่านอาจารย์กับมอกแล้วใครเข้ามาถวายของอาจย์คะคุณสมรวยที่มหาท่านอาจารย์คะ่ไะ ดั้งเพื่อมาถวายแค่แล้วไปไว้ที่ที่ศาลแค่ตรงนี้ดูที่หลงปู่ดูแม่สอนให้ดูจิตแน่ใจว่าเราดอะไรก็ดูอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดูอารมณ์หรือคามโลภไม่ดูว่าตอนนี้เรากาลังโกรธเรากาลังโลภเรากาลังทุกข์สั่นเรากำลังสงบหรือเปล่า รู้แล้เราจะได้แก้ไขปัญหาได้ไม่ไม่ไม่ดูจิตก็คือดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตตอนนี้โลภหรือเปล่ากาลังโกรธหรือเปล่าโกรธก็ต้องรับครับโลภก็ต้องรับครับถ้าอย่างปฏิบัติธรรมก็ส่งเสือไปอยากจะไปวัดกอไปมันก็เป็นอุบายอย่างไรๆพูดถวนใช่ไหมครับใช่มันก็เป็นหนึ่งในสติปัฏฐานสีง มีสติอยู่ที่จิตอยู่ที่เนี่ยรับผอมรับควานยนะยะชาวะริวาฮาตุราตาลิคุเงนติสาคารงเอวามิวะอิโตตินังเตตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏิตังสุมหังคิดต้ามิวัสภณิตชาตุสัพเพกเรนตุสั้างกปาจันโทปะณะระโสยถามณิโชติระโสยชัสสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตอันตระายุสุขิจิทายุโกวะ อาภีวาทะนสิลิสะนิจังวิธาปจายนโนจตาโรโธมาวาทานติอายุ ว, นาาาวันโอสุขังอะลาสุขังเดี๋ยวลงไปข้างาด้วยกันกันเถอะไปดด้วย คือว่าตอนเย็นๆให้คนนั่งลมาสน้ข้างล่างครับช่วงนี้ไปสงน้ำแล้วก็ไปพักข้างล่างไตอนเช้าสั่เสร็จขึ้นนอนๆแล้วก็อยู่เรื่อยๆต้อเดินจะเดินลงไปเหรอเดินตรงจุดเินเช้าเย็นเลยนะครับนธรรมดาว่าตอนเช้ามันขึ้นมาส่งแต่ตอนเย็นตอนเย็นไม่ตอนเช้าเมื่อต้องเดินลงไปแล้วฝนตกตกก็เกล่ยน้เกลี่น้ำมาอยู่ต หลังดีก็ <S <S ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดีร0 0ยเปเคิดว่าคงจะไม่ไม่ร้อยเปอร็สาังขามีคงจะขอที่เราอะพอพอทางจิตได้ทั่วไปน้อยมานจะค้น ก็มีคนจับเส้นแต่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นหมอหเพราะถ้าเป็นคนที่ไปท้าหมอมาแล้วเขาก็จำจำวิธีมาแล้วเ้าก็มาเข้ามาจับแล้วเราก็เขาจะรู้ว่าให้เขาจับตรงไหนแล้วก็บอกเขาคือรู้ว่าตรงไหนเพอพอจับมันมันเจ็บก็รู้ว่าตรง น, นั้นก็อบอก้เขาคอยคลึงคอยอกดลงไปที่บางทีพวกนี้มันซ่อนอยู่มันเล็กมันเส้นมันเส้นเล็กๆซ่อนอยู่มันคานกระดูก หลังันเลยเขต้องคอยบอกาคอยชีย้ให้บกบเออมาตรงนี้มตรงนี้นะแต่ก็ดีขึ้นกว่ามกอนเะเมื่อก่อนมันเป็นหลังคดหลังแข็งมันตึงไปหมดเลยแต่ที่นี่มันก็ยังยังยังนิ่งะพอขอยับขยายานั่งเราม่คอยเจ็บไม่ค่อยเมื่อยเท่าไรมา เ, เ, มา เ, เมื่อก่กอนน้นั่งสักเดียวเดียวมันก็เมื่อยแล้วก็ใช้ทีดปีแบบนอนเอนนะนอนนอนสักระยะหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็มันก็รู้สึกดีขึ้น แต่พอคิขึ้นมาทำอะไรมานั่งทำอะไรเดินทำอะไรสักพักมันก็เหนื่อยเนาะเขามีค่าบริหารให้ไม่เจ็บไม่ทรารเาลีีดูีกันเขี้ม่ามาไโยคะนี่นัองสาอโยคะก็มีคนเ้าให้ลเนี่ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ก็พอเอาได้พอพอทำติดอะไรได้ติดดีกาวเยอจนถแล้วว่าจะให มันยังก้มเวลากล้มทำะไรนี้มันยังเจ็บอยู่เวลากล้มถึงว่าเราต้องก้มไปหยิบขอ ง, ของจาเพื้นขึ้นม า, านีมันก็จะเป็ที่หลังอยู่บ้างพออยู่บนขานี่มันคือมันต้องก้มอยู่เรื่อยๆพก็ต้องเอาน้ำใส่กระถางมันก็อยู่ก๊อกอยู่ ตามแต่เวลาชักข้าก็ต้องก้มชักอะไรจะอยู่ข้างล่างันมีอ่า <c oughs> อ่างเราไม่ต้องกม้มเราก็ชักข่าในอ่างเลยอาบน้ำก็ไม่ต้องมัน ม, มีน้ำปะปามันจะอยู่ไม่ใช่ทำเองหมดเลยเหรอครับมันลาบากตรงที่เวลาฝนตกแล้ต้องเอามาคอยรองน้ำฝนเพราะฉะนฝนเราจะไปรองตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะมันฝนตกแต่เวลามันตกใหม่ๆ ม, มันจะฝนตกก็ต้องรอให้มันตกเป็นระยะหนึ่ง แล้วก็ลางกลาร่วมออกมาปีนไ เ, เปิดปาทางเอาอะไรอะไรเข้าไปแล้วบางทีมันตกตางคืนก็ต้องออกมาใช้ไปใช้ทำก็ใช้ <c oughs> ทำเองหมดเลยเหรออ่ไม่ใครจะทาให้เราเลยเราต้องทำเองย่างนี้นเนย <c oughs> ตอนนี้มันก็เกร็จแล้ปีนขึ้นมนบนถังเรื่อยๆ ไ, <c oughs> ไม่ให้บาทําเลยไม่ก็พ้าท่านก็ตัต่างคนต่างอยู่กันเนี่ย ก็ไม่อยากจะลบกลวใครเพราะวเราเคยทํามาได้ตลอดตอนที่ตอนนั้นมันยังไม่มันยังไม่เจ็บหนัขนาดนี้ทีตอนนี้มันมันเจ็บมันมันยังไม่หายดีเพราะอรแก้ด้วยวิธีแค่ว่าจะลงไปอาบข้างล่างแล้วถ้าต่อไปมันมันพอมันดีขึ้นก็ยังพอจะทําได้ก็คงจะกลับมาทำอีกเองชันไม่ฉันชันยาพาราบ้างหรือเปล่าคะอ๋อไม่เคยฉันเลย ยา อ, อ, อลังยาแก้ปวดไม่เคยถามเลยยอแย่ของการปวดอายาพาราได้ทั้งสองได้ไหมคะใช่เข้าใจแต่เราไม่ไอปวดมัน ไ, ไ, ไม่ไม่ทรมารมันทนได้แต่ว่ามันเวลาทาอะไรมันมันไม่จำเป<ช>็นจะต้องไปไปเจ็บมันเราพยายามดือรอนท่าที่มันทำอะไรเจ็บกั คดีมากลูกไปหาหมอ่งที่ทลบลอกว่าลูกะวดหงแล้วก็ให้ยามาประคบค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้ปวดหลงค่ะก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ท ว, ว่าไม่ต้องใช้แล้วก็ไม่เอาใไหมเรากี่ยกับเราก็มีของเราอยู่แล้วใช้ยยหลายยาหลายหมอเดี๋ยว่าตายเพราะยา <c oughs> <c oughs> กอเอียก็เยอะลนะคือสิ่งที่มันไปอยู่ใช้อยู่มันมันได้ผลก็ก็ดีแล้วไม่ใช่โยมคนเดียวมีหลายคนที่จะพาจะลากให้ไปหาหมอนั้นหาหมอนี้นแต่เราไม่ต้องแล้วก็ก็มีแล้วพอพอแล้วเพราะงั้นถ้าตามไปก็ตายเลยหมอสิหมอก็มีวิธีรักษาสิบอย่างปฏิบัติตามไม่ไหว ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะอ้เรื่องไม่ไดกี่วถ้าถ้าต้องการความช่วยเหลื อ, อยังไงแล้วจะจ ะ, จะส่งสัญญาณข้างก <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรก็ถือว่าไม่ไม่ไม่เป็นปนัญหาอนะไรไม่ต้องกลัวว่าจะรู้สึกว่าไม่ดูได้หรืออะไรไม่เหลียวแรงไม่ไม่ต้องคิดอย่างนี้ บางทีคนดู e แ, แลมากเกินไปก็ตายเพราะคนดไดลเวลาไม่สบายคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนี้มาเยี่ยมไม่มีเวลาพักผ่อนเลยน่าเหนื่อย้วยถ้าคนมาสืบันก็ถามว่าเป็นยังไงตรงที่บายไม่ขก้นเหมือ เราต้องมาต่อเราต่อเฉีงยงกันี้นคนนั้นจะเอายาอย่างนี้นมาให้คนนี้จะพาไปทำอย่างนู้นทอานน อ, อย่างนี้เหนื่อยเรานี่อท่นี้นะ